มาจากที่ไหนกันอะปาจีนค่ะป้าจีนเนะี่ยวันันเก่คนอะสามคนสามคนวนะันนี้ไม่ต้องทำงานนะเ <c oughs> นื่อนหิงานร่างเงิ <c oughs> ยังว่างอยู่หร อ, อยังว่างนะสั่งเห็ดไว้ไรยังไม่ไม่ไม่ไ ม, มไม่ได้เป็นอาชีพรับจา <c oughs> ้ า, ขางขาย ก็ดีก็ดีเจาคนไหนอยากจะหยุดก็หยุดได้ทำขายเหตุนะเพราะเหตุขายเรื่อยๆแล้วแล้วมาขายอแล้วมาเพราะอีงทีเพราะแล้วก็เพอโตก็ขายเห็ุที่ก็ไปรับประทานเลยทางฟ้าต้องใช้ที่มากไหม องค์ใจที่พ่อปลูกบ้างไหเป็นโรงเรียนค่ะเป็นโรงเรียนเป็นเป็นไล่หลายไล่ใช่ไหมไม่ไม่เยอะเท่าใช่ใช้น้ำใช้น้ำน้ำคลองลองเป็นเหมือนกันเราสูบก็มาแล้วก็ลดเป็นเหมือนฝักบัวอย่างนี้เลยสายเป็นเกลอ รถทั้งวันหรือว่ามีเป็นช่วงๆเป็นช่วงๆตั้งเวลาไว้หรือว่าต้องมาเปิดปิดยังไม่ได้ตั้งเวลาเราเปิดปิดเองเพราะทีกี่วันถึงจะเก็บเกี่ยวได้ห้าพันก้อนใช่แต่ว่าเวลาเพราะเราก่อนจะเก็บเกี่ยวได้นี่กี่วันเป็นเดือนกันเป็นเดือนน ะ, ะจนกว่าเชื้อจะเป็นเชื้อเป็นก็เริ่มออกอ อมันเก็บเกี่ยวได้ก็ประมาณ5วันนี้นะไอ้ประมาณเดือนหนึ่งเลยถ้าเชื้อเต็มแล้วก็จะเก็บได้ประมาณ5เดือนค่ะห้าเดือนเก็บไปเรื่อยๆแล้วเชืจะหมดใช่ค่ะอ่ามันมันทยอยเก็บไปเรื่อยๆเราทำแต่เห็ดอย่างเดียวนะที่บ้านเลี้ยงกุ้งกุ้งกับปลา อยู่อยู่ข้างลําคลองบ้านอยู่ข้างข้างคลองข้างข้างคลองสาน้ําคลองอยู่อำเภออะไรที่ปัจจุนเภอบ้านซางบ้านซางแล้ววันนี้คิดยังไงถึงมาที่นี่พอดีเอาของมาบริจาคให้มันให้เด็กอะค่ะวันนี้เขา ที่ที่ชลบุรีเขาจะไปส่งให้วัดไร่ขิงอีกทีหนึ่งเพื่อวัดไร่ขิงจะส่งขึ้นเหมือนแล้ไปให้พวกเด็กจากตจนเนี้ยค่ะอเป็นพวกอะไรพวกเสื้อผ้าเสื้อผ้ารองเท้าอืของใหม่หรือของเก่าของหรือสองอสอก็เราก็เก็มาจากเพื่อ้ยว่าใครมีใครมีของที่ไม่ใช่ของทเราเดี๋ยวเราเอามาส่งให้ที่นี่มีเยอะไหมได้เยอะไหมเยอะเหมือนกันนเ แต่ของใช้ได้เนี่ย ston. ไม่ขาดไม่อะไรเพ uh ียงแต่มันเตาเพียงแต่เขาไม่ใช่นะเบื่อแล้วได้ของใหม่ก่อนเขาก็เอาไปส่งวัดไร่ขิงนะวัดไรขิงที่สุพรรณบุรีนครโยธงนครโยธงไปส่งมาแล้วเหรอไมยากไส่งที่ชนโรงพยาบาลถ้ามีจุดรับนะเขามีที <uh. ่ หดคนเขาคอยรับขายในช่วงตืมเดี๋ยววันนี้ก็กลับปัจจินเลยอ ม, มาจากปัจจินแต่เช้าเลยมาเช้าเย็นกลับมสมัยนี้เดินทางสะดวกนะแล้วรู้จักที่ดีได้ยังไงเป็นเพื่อนเป๊ะในเพื่อนเขส่งต่อต่อไปให้ เ, เป็นเพื่อนเป็นเพื่อนเลย<า>อ๋อ ติดตามมานานแล้วล ย, ยังลหลายเดือนแล้วคะหลายเดือนอันต้นรู้จักได้ยังไงมีเพื่อนก็ส่งลิ้ยงไปให้เลยว่าเขาแชร์กันไปให้เลยธรรมาทีวีอาจารย์ก็มีาฟังอยู่ทีวีก็มีเหมือนกันนะทีวีของท่านอาจารย์สครนท่านอาจารย์สักคอนแล้วสนใจเทศ ของพระป่ามานานเนี่ยยังปีกว่าแล้วค่ะปีกว่าแล้วเลยก่อนที่จะมาเจอธรรมะของพระป่าก็ไปเจออะไรมาก่อนนะอะไปไปเรียนธรรมะที่ไหนหรูป้ปะอ๋อปฏิบัติที่หลงพ่อจลงังค่ะหลงพ่อจรั ง, งไปอยู่แบบเจ็ดวันนี้แหละ สามวันเี่ไม่เจ็สามวันห้าวันไปยุบนอพองหน อ, อไปก้าน้นอย่างเน อ, อตอนนี้เปลี่ยนมาเป็นพูดโทรแล้วค่ะอือสึกง่ายง่ายกว่ า, นะาม่ยุ่งยากน ะ, ะง่ายสั้นขึ้นมาทางด้านหลังดีกว่าด้านหลังจะสะดวกกว่า แล้วรู้สึกก้าวหน้าไมั้งแต่มนเริ่มปฏิบัติทุทโธเป็นบางครั้งไม่ได้ปฏิบัติอย่างสม่าเสมอทุกวันเลยหทุกวันเลยแหละปฏิบัติอยู่ที่บ้านทุงวันเลยแหละปฏิบัติตอนไหนบ้างตอน มีมเวลาไม่รู้ว่าแล้วแต่สะดวกแล้วแต่เลยค่ะช่วงที่สะดวกก็ปฏิบัติหมายถึงนั่งหรือเดินเ ด, ดมมินชมพงครึ่ ง, งชั่วโมงนั่งึงชั่วโมงแล้วก็ท่นหลว่อวิรยังค่ะท่านที่สอนให้นั่งทีละครึ่งชั่วโมงเดินทีละครึ่งชั่วโมงสลับกันไปเวลาไม่เดินไม่นั่งนี่เราเราใช้สติกันหรือเปล่าบางครั้งสะดวก คือควรจะรักษาสติไว้อยู่เรื่อยๆไม่ใช่แต่เฉพาะเวลาเดินเวลานั่งเวลาทำงานเวลาเพาะเห็ดนี่ก็ให้มีสติให้อยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่อย่าให้ไปคิดเรื่องอื่นและเวลานั่งมันจะสงบง่ายถ้าไปคิดเรื่องอื่นเวลานั่งมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นเวลานั่งใช้พุโทโธแล้วใช้ลมหายใจพุโทโธอย่างเดียวนะ บริกรรมพูดโทพุดโทไปก็ไปเข้าหลักสูตรของหลวงพ่อวินิจยังเคยเข้าแล้วคบแล้วเลไม่ครบลยไม่จบไม่จบออกก่อนเนียก่อนเลยการคันอ่าทำไมไม่สะดวกอ่ะเ็เยอะท่านั้นเห็นเยอะอ๋อเห็นเยอะอ่แล้วช่วงบ่ายเน่เราต้องเขาจะมีช่วงเย็นแต่เราต้องรีบกลับมาก่อนเราต้องเด็บก่อนเพไปส่งตลาดเวลาไม่เหมาะไม่ไม่ ก็เลไม่ได้เรียนจบหลักสูตรไม่จบถ้าจบเขามีหนังสือออกบัตรอะไรให้เปล่ามีหรือเปล่าไม่ไม่มีได้หนังสือมาค่ะอ่ามีใบใบประกาศอะไรรืเปล่าเวลาไม่มีเพราะเราไม่ได้จบหลักสูตรถ้าถ้าจบมีเขาจะมีให้เลยอ่าแล้วต้องไปทุ่งงที่ผู้อ่าผู้ดอยธนนท์อ่เราไม่ได้จบหลักสูตรอถ้าอยากจะจบก็ต้องไปเรียนใหม่ สมัครใหม่มีค่ถือว่ายาวเหมือนกันนะคะหกเดือนอ่าหเดือนแต่เฉพาะสาวอาทิตย์ใช่ไหมอ่แล้วมีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างแล้วแต่บอยจาบแล้วแต่ศรัทธาแล้วที่ปฏิบัตินี้เขาจัดที่ไหนกันที่วัดที่วัดแต่วัดใกล้บ้านเราเนี่ยเป็นวัดบ้านหรือเป็นวัดต่าเป็นวัดในเมืองหรืว่าเป็น แล้วคงคงแล้วคเอาวาจะเป็นรูปปิดของหลวงพ่อวิริยังค่ะอาวาที่ที่มีที่ปฏิบัติเนี่ยปฏิบัติในศาลาอย่างนี้แหละปฏิบัติที่เราไปที่เราไปรวมนี้มีกี่คนนั้งหมดประมาหลายสิบเกันนะคะหลายสิบอลสี่ห้าสิบตั้งสีสห้าสิบคนต้องเรียนหกเดือน ตกเสาอาทิตย์เดยนทั้งวันเลยใช่ไหมเสาอาทิตย์นี่สลับกันสลับฟังวิดีโอแล้วก็สลับปฏิบัติแต่ทั้งวันใช่ไหมมีเนั่นตั้งแต่เช้าถึงเย็นนี่และถึงเย็นช่วงเช้าจะอยู่ในห้องทำหลักจะมีแบบปัญญาหน้าห้องห่นะช่วงบ่ายจะเป็นน่ากระเดยช่วงบ่ายเป็นปฏิบัติช่วงเช้าเป็นปริยัต แล้วให้ถือศีลแปดหรือเปล่าแล้วแต่ไม่ต้องเสือศีลแปดไม่ไม่เสีแล้วมีพักพักกินอาหารกลางวันนี่แลแล้วเลิกกลับบ้านกันกลับไปกินอาหารตามของเราเองเขาเรียมือเดียวมีอาหารให้มือมือกลางวันกลางวันเมื่อเช้าเราก็ทานทานไปก่อนแล้ว น่ามีพระสอนกี่รูปหรือว่าเป็นวิดีโอเป็นวิดีโอแล้วก็ช่วงบ่ายบางทีบางองค์ท่านก็นมาเดินด้นวยมวิดีโอนี้เป็นของหลวงพ่อเปนีน ย, นนยังท่านเทศอ่ะใช่จะเล่ า, กการประวัติสมัมยที่ท่า น, น, นอยู่กับหลวงปูมป่ม่านเป็น ต, อ, ตอนอ แล้วเป็นไงเวลาได้ยินได้ฟังแล้วมีกำลังใจไหมใ่ค่ะท่านแก่ยุมากใช่ไหมยอเลยค่ะอาเก้าสิบกว่าแล้วนะเาอืมยันยังแข็งแรงยังเดินขึ้นเขาได้อยังไปประเทศแคนาดาเยอะปะไปไม่แน่ฮะไปน่าจะไปฮะอ่าท่านมีลูกศิษย์ที่แคนาดาเยอะเหมือนกันนะส่วนมากท่านจะอยู่ที่นั่นเลออยู่ที่นั่นเลยอืม ดังครั้งก็ไปอินเดียไปประมาณจกบยี่สิบแล้วนะกบยี่สิบครั้งอื้แล้วพระที่นำนี่ท่านจะนำนำพานั่งพาเดินแล้วมีถามตอบปัญหากันหรือเปล่ามีบ้างถ้าเราสงสัยอะไราก็ถามได้แต่ส่วนใหญ่ก็จะเน้นเรื่องการเจริญสติพุโทโธเดินก็พุโทโธนั่งก็พุโทโธ ไม่ให้คุยกันแล้วรู้สึกอดอัดไหมรู้สึกอึดอัดั้ยอึดอัดไหมเวลาไปปฏิบัติไหไม่ค้ออร์หสบายห้องแอร์ห้ออเยสะอาดเแล้วก็มีเพื่อนร่วมปฏิบัติด้วยกันมีคนทุกเพศทุกวัย อยากส่วนกันหรือป่าผู้หญิงผู้ชายเพ่<ด>รวมกันนะแล้วไปไปได้สักกี่กี่อาทิตย์เี่ยที่ไปไปายเอนค่งเืออ่าเกิดสามเดือนพอถึงถึงช่วงที่ต้องทำเห็ดไม่มีเวลาไปช่วงนั้นเห็ดน้อยเลยมีเวลาไปเดี๋ยวช่วงหน้าเห็ดน้อยก็ไปใหม่ Uh, ปฏิบัติที่บ้านแล้วอยู่ที่บ้านใช้อะไร <c oughs> ช่วยมีอะไรมีอะไรคอยให้ uh, <c oughs> <c oughs> คำสอนคำสั่งหรือเปล่าหรืว่าส่วนมากจะอาา่านในเฟซบุ๊กที่เป็นเพื่องภาษามขาจะอ่านคำสอนข้อนี้ พี่เขาจะเป็นเพืเ่อนเยอะแล้วเขก็จะรู้ว่าตอนนี้องค์ไหนมาเที่ยวที่ไหนไกลๆมาเที่ยที่ไหนแล้วเขาก็จะไปอย่างเงี้ยไปฟังเทศกังส่วนใหญ่จะมาเที่ไไยวส่วนใหญ่จะมาที่กรุงเทพก่นนะหรที่ไหนกรุงเทพไปเอะอทปรการอืมไปหมดเลยเวลารู้ว่าเมย์ามา อ, อืมมีโอกาสวันไหนว่างอืมมีอะไรสงสัยอะไรไห อยากจะรู้อะไรเพิ่มเติมหรอเไม่มีอะไรไอันนี้อยากจะมาดูที่นี่ว่าเป็นยังไงนลยเคยมาครั้งนึงแล้วค่ ะ, ะเคยมาแต่มาก่อนเวลาสิบเอดโมงหรือไม่รู้เวลาที่ที่เริ่มสองโมงถึงสี่โมงทุกวันถ่ายทอดสดได้อยู่บ้านก็ติดตามได้ มีคำถามประสงค์ข้อความเข้ามาได้ก็พยายามปฏิบัตินะการปฏิบัติจะทำให้เกิดผลการเรียนจะทำให้เรารู้วิธีปฏิบัติที่ถูกต้องก็เป็นสามขั้นตอนขั้นตอนแรกก็เรียนศึกษาว่าต้องปฏิบัติอะไรเมื่อรู้แล้วว่าจะต้องปฏิบัติอะไรก็ปฏิบัติไป ปฏิบัติแล้วเดียวผลก็จะตามมาผลก็คือความสงบความสุขใจกิเลสน้อยลงความโลภความอยากน้อยลงนี่คือตัวที่จะวัดผลถ้าปฏิบัติไปแล้วยังโลภมากอยู่ยังอยากมากอยู่ก็ยังไม่ได้ผล แม้ว่านั่งสมาธิได้เดินโยกงได้แต่พออยากอะไรป๊อกก็เอาเลยอยากจะกินก็กินเลยอยากจะดื่มอะไรก็ดื่มเลยอยากจะซื้ออะไรก็ซื้อเลยอยากจะเที่ยวก็เที่ย ว, เ, ยวเลย อ, ยอยันนี้ก็ยังไม่ก้าวหน้าการปฏิบัติีนเพื่อมาลดละความโลภความอยากเพอ เวลาที่เราโลภเราอยากแล้วมันจะทำให้เราติดจะโลภไปเรื่อยๆจะอยากไปเรื่อยแล้วจะต้องไปเจอเวลาที่เราไม่สามารถได้สิ่งที่เราอยากได้หรือทำตามที่เราอยากได้เวลานั้นใจเราก็จะทุกข์ขึ้นมาแต่ถ้าเรารู้จักหยุดความโลภหยุดความอยากได้ เช่นตอนนี้เหตุขายไม่ดีอยากจะให้ขายดีอย่างเงี้ยถ้าอยากให้ขายดีมันก็จะทุกข์จะไม่สบายใจแต่ถ้าเราหยุดความอยากได้ว่าขายได้ก็ดีขายไม่ได้ก็ดีเราไปสั่งมันไม่ได้สั่งให้คนมาซื้อไม่ได้เราก็จะไม่ทุกข์ขายดีก็ไม่ขายดีก็ดีไปขายไม่ดีก็ไม่ทุกข์นี่คือเป้าหมายของการปฏิบัติ เพื่อมาลดละความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจที่เกิดจากความโลภเกิดจากความอยากเกิดจากความโกรธต่อให้นั่งสมาธิเป็นชั่วโมงชั่วโมงเดินจงกรมเป็นชั่วโมงชั่วโมงแต่ถ้าไม่เอา <c oughs> มาใช้ในการหยุดความอยากก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรสมาธิปัญญาสติเนี่ยที่เรา เจริญกันเนี่ยเพื่อเอามาหยุดความอยากหยุดความโลภกันไม่มีความโลภไม่มีความอยากนี่มันสบายกว่าสบายกว่ามีความโลภมีความอยากแต่เราก็หลงติดกับความโลภความอยากพอเวลาได้อะไรตามความโลภมาก็ดีใจมีความสุขแต่เวลาไม่ได้ก็เสียใจ มีความทุกกันถ้าเรารู้จักหยุดความโลภหรือความอยากเวลาอยากแล้วไม่ได้เราก็ไม่เอาก็ได้เปลี่ยนใจอยากแล้วไม่ได้ก็ไม่เอามันก็จะไม่ไม่ทุกข์ถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาไม่มีสมาธิเวลาอยากจะหยุดความอยากก็จะหยุดไม่ได้ เพราะไม่มีกำลังสู้ความอยากถ้ามีสติมีสมาธิมีปัญญาเราก็จะมีกำลังแต่ถ้าเรามีแล้วเราไม่เอาไปหยุดความอยากก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเหมือนกับมีน้ำดับไฟแต่เวลาไฟไหม้ก็ไม่เอาน้ำไปดับปล่อยให้ไฟมันไหม้ไปใจเราก็เป็นเหมือนเป็นเหมือนบ้านที่ไฟของความทุกข์ ที่เกิดจากความอยากมันจะคอยเผาใจเราอยู่เรื่อยๆถ้าเรามีน้ำดับไฟในใจใจเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าเรามีแต่เราไม่เอามาใช้ดับมันมันก็มันก็ทุกข์เลเราต้องรู้เป้าหมายของการปฏิบัติเป้าหมายรากก็คือสร้างเครื่องมือที่จะมาดับความทุกข์ ดับความอยากแล้วพอเรามีเครื่องมือแล้วเราก็ต้องลดละความโลภความอยากกันเวลาอยากเราก็ต้องอยากไปทําตามมันคือความอยากในสิ่งที่ไม่จําเป็นจะต้องทําำก็ถามตัวเองว่าอยากได้สิ่งนี้แล้วจะตายหรือไม่ถ้าไม่ได้แล้วจะตายหรือไม่ถ้าไม่มีมันแล้วจะตายหรือไม่ถ้า ไม่ตายก็ไม่ต้องไม่ต้องไปอย่างดีกว่าถ้าสิ่งไหนมันจําเป็นต้องมีถ้าไม่มีแล้วตายก็ต้องต้องต้องมีต้องหามาเช่นน้าดื่มเวลาหิวน้ําถ้าไม่ดื่มน้ําร่างกายจะตายนะมเวลาไม่มีอาหารร่างกายจะตายไหมก็ต้องก็ต้องดื่มน้ําต้องรับประทานอาหาร ถ้าต้องการจะไปเที่ยวเนี่ยถ้าไม่ได้ไปเที่ยวแล้วจะตายไหมถ้าไม่ตายก็อย่าไปี่ให้เนื้อความอยากที่มันที่มันไม่ตายที่ไม่ได้ทําแล้วมันไม่ได้ตายเพราะว่าถ้าทําตามความอยากแล้วมันจะอยากไปเรื่อยแล้วเวลาไม่ได้ทําตามความอยากมันจะทุกข์แต่ถ้าเราหยุดความอยากได้เราก็จะไม่ทุกข์ ความทุกของเราตอนนี้เกิดจากความอยากของเราทั้งนั้นอยากได้สิ่งนั้นอยากมีสิ่งนี้อยากให้คนนั้นเป็นอย่างนั้นอยากให้คนนั้นเป็นอย่างนี้พอไม่ได้ดังใจอยากก็ทุกข์กันเสียใจกันน้อยใจกันบางคนถึงกับฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายประชด ค, คนอื่นคนอื่นก็จะไปก็จะไปเดือดร้อนกับการฆ่าตัวตายที่ไหนเขาไม่ได้ตายตามไป เราโง่เองไปคิดว่าฆ่าตัวตาแล้วจะทำให้คนอื่นเขาเสียใจนี่เป็นผลที่เกิดจากการที่เราไม่สามารถควบคุมความอยากได้ความอยากมันมีสองด้านด้านบวกก็มีด้านลบก็มีด้านบวกก็คือเวลาอยากได้อะไรแล้วได้แหมมีความสุขอยากจะซื้อของที่อยากได้พอซื้อมาแล้วก็มีความสุข แต่มันเป็นปัญหาตรงที่ว่ามันได้มาแล้วมันไม่พอได้แล้วอยากได้อีกซื้อของชิ้นนี้แล้วเดี๋ยวอยากจะซื้อของชิ้นนั้นต่อถ้าซื้อไปบ่อยๆเดี๋ยวมันก็ไม่มีเงินซื้อมันก็เดือดร้อนไม่มีเงินไม่พอใช้ก็ต้องไปหาเงินมาเพิ่มถ้าหาเงินโดยวิธีสุดจริตไม่ได้ก็อาจจะไปหาโดยวิธีทุจริต ก็จะมีปัญหาตามมาหาเงินโดยวิธีผิดกฎหมายเดี๋ยวก็อาจจะถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไปแต่ถ้าเราไม่มีความอยากจะซื้ออะไรซื้อแต่ของที่จาเป็นจริงๆนี่รับรองได้ว่าเงินทองจะไม่ไม่ขาดมือจะมีเงินทองเหลือใช้เราจะหามากกว่าใช้แต่ถ้าเราใช้ตามความอยาก แต่ให้มีรายได้มากน้อยเพีงยงไรก็ไม่พอเพราะมีมากเท่าไหร่ก็ยิ่งใช้มากขึ้นไปทั้งนั้นพอเวลาได้ใช้นั้นมันมีความสุขแต่เราไม่คิดถึงเวลาที่ไม่ได้ใช้แล้วมันจะรู้สึกอย่างไรเวลาไม่มีเงินใช้นั้นรู้สึกอย่างไรดเรามาปฏิบัติธรรมกันมาเดินจงกรมนั่งสมาธิเพื่อหยุดความอยากกัน สร้างกําลังที่จะหยุดความอยากแล้วพอเกิดความอยากขึ้นมาเราก็ต้องหยุดนอยากได้สิ่งที่ไม่จําเป็นถ้าได้มาถ้าไม่ได้มาแล้วไม่ตายก็อย่าเอาเลยปะต่อไปนี้ให้ถามตัวเองว่าอยากทํานั่นทนํานี่ถ้าไม่ได้ทําแล้วตายไหมถ้าไม่ตายก็อย่าทําอยากจะไปเที่ยวที่นูน้นที่นี่จําเป็นไหม ถ้าไม่ได้เที่ยวตายไหมถ้าไม่ตายก็อย่าไปเที่ยวอยากจะซื้อของชิ้นนั้นชิ้นนี้ถ้าไม่ได้ซื้อแล้วตายไหมถ้าไม่ตายก็อย่าไปซื้อเก็บเงินไว้ดีกว่าเพราะไม่มีเงินมันอาจจะตายได้ <c oughs> <c oughs> ไม่มีเงินซื้อข้าวเดี๋ยวมันก็ตายได้แตถ้าใช้เงินไปเรื่อยๆเดี๋ยวเงินหมดมันก็จะลำบาก เ้าต่อไปเราไม่ต้องใช้เงินก็ใช้ก็ น, น้อยใช้แต่ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นก็มีไม่มากอาหารวันํามือสองมือเราก็อยู่ได้แล้วเสื้อผ้าเราก็มีพอใส่แล้วใช่ไหมเต็มตู้แล้วใช่ไหมบ้านก็มีอยู่แล้วรักษาพยาบาลเขาก็รักษาสามสิบาทรักษาทุกลงอยู่แล้ว งั้นถ้จะไม่ต้องใช้เงินเลยถ้าถ้าเราตัดความอยากไปได้เงินส่วนใหญ่นี้มันไปกับความอยากต่างๆเนี่ยมาตัดความอยากกันที่เราตัดไม่ได้เพราะเวลาอยากแล้วใจมันดิน้นมันเหมือนกับจะทำให้เราอกแตกถ้าไม่ได้ไปทำตามความอยากแล้วมันมันจะรู้สึกจะอกแตกตายเนี่ย มันเลยทนสู้ความอยากไม่ได้แต่เราถ้ามีสมาธิมีสติมีปัญญาเนี่เราจะสู้มันได้ต้องฝึกสติมากๆเวลาอยากอะไรขึ้นมาก็พุโทโธพุโทโธสู้กับมันไปอย่าไปคิดถึงสิ่งที่อยากได้เดี๋ยวพออยู่กับพุโทโธไปสักระยะเดี๋ยวมันก็ลืมลืมแล้วมันก็หายอยาก มืคิดไปในทางปัญญาก็คิดว่าได้มาแล้วก็ตอนนะั้นดีใจเดี๋ยวเดียวแล้วเดี๋ยวก็อยากจะได้ของใหม่ก็ได้มามากน้อยก็ไม่อิ่มไม่พอสู้อยากไปทําตามความอยากดีกว่าเพราะถ้าเราไม่ทําตามความอยากต่อไปความอยากนั้นมันก็จะหมดกําลังไปเองถ้าเราไปทําตามความอยากก็เหมือนกับไปร ด, ดน้ําพูน ด, ดินให้กับต้นเห็ดเนี่ย ทำให้มันงอกงามขึ้นใหมาทำตามความอยากแล้วความอยากใหม่ก็จะโผล่ขึ้นมาเหมือนเห็ดเนี่ยแต่ถ้ามันอยากแล้วเราไม่ไปทำตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็จะอ่อนกำลังไปแล้วต่อไปมันก็หายไปหมดไม่มีความอยากเราอยู่สบายไม่มีอะไรมาสร้างความอึดอัดสร้างความ ว, าว้าเหวเศร้าส้อยง่อยเหง ความรู้สึกไม่ดีต่างๆที่อยู่ในใจเราเนี่มันเกิดจากความอยากของเราท่านนอยากไปนู่นอยากมานี่อยากทํานั่นอยากทํานี่อยากเห็นนู่นเห็นนี่อยากฟังอยากดื่อยากรับประทานอยากเจอคนนั้นอยากเจอคนนี้พอไม่ได้ทํามันก็รู้สึกอึดอัดขึ้นมาหงุดหงิดลาคาญใจขึ้นมาถ้าเรา เผื่อทนมันไปด้วยการใช้สติพุทโธพุทโธไปนั่งสมาธิไปใช้ปัญญาสอนใจว่าอดทอนหน่อยเดี๋ยวความอยากก็หมดกำลังแล้วก็สบายถ้ามันรู้ว่าเราไม่ทําตามความอยากเดี๋ยวความอยากมันก็ยอมแพ้มันก็ถอยทับพอมันถอยทับปับใจก็สงบเบาสบายแล้วต่อไปมันจะไม่กล้ามาบุกเพราะมันรู้ว่าบุกก็สู้เราไม่ได้ อันนี้แหละคือวิธีคือการปฏิบัติที่แท้จริงปฏิบัติเพื่อมาต่อสู้กับความอยากมาหยุดความอยากไม่ใช่มาเดินจงกรมนั่งสมาธิแล้วก็เสร็จแล้วก็ไปทําตามความอยากต่างๆก็จะไม่เห็นผลแตกต่างที่เกิดจากการปฏิบัติเนี่ยจะเห็นผลก็ต่อเมื่อความอยากลดน้อยลงความโลภลดน้อยลงะ ความโกรธลดลน้อยลงความหลงลดน้อยลงแล้วใจจะมีความสุขมากขึ้นมีความเบาอกเบาใจมากขึ้นมีความอิม่ม อ, อกอิ่มใจมากขึ้นจะไม่อยากได้อะไรไม่อยากมีอะไรเฉยๆมีก็ได้ไม่มีก็ได้ใครให้มาก็รับไว้แต่เขาไม่มีใครให้มาก็ไม่ไม่เดือดร้อนรับไว้ก็บางทีก็ไม่ได้ใช้เขาให้มาก็รับไว้ตามอตามแต่ ตอบสนองน้ำใจไม่ตีจิตเขารับไว้เพื่อไม่ให้เสียน้ำใจส่วนเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็อยู่ที่เหตุผลถ้ามันไม่มีอะไรจะต้องใช้ก็ไม่ใช้ให้คนอื่นไปถ้าใจอิ่มแล้วมันไม่ต้องมีอะไรมากใจอิ่มแล้วสิ่งที่ต้องจาต้องมีก็เพียงแต่ปัจจัยสี่ของร่างกายทนั้นเองอาหารวันละมื้อก็อยู่ได้แล้ว เสื้อผ้าสักสองสามชุดก็พอที่อยู่อาศัยก็ที่มีที่หลบแดดหลบฝนได้ก็พอไม่ต้องเป็นบ้านหรูหราก็รหานใหญ่โตพากบนเขานี่อยู่บนแค่กันมีแค่อยู่ไม่มีฝามีเสาสี่ต้นมีหลังคามีพื้นไว้สำหรับนั่งนอนแล้วก็มีทางเดินจงกลม อยูแ่แค่นี้พอแล้วสำหรับร่างกายที่อยู่อาศัยของร่างกาย <c oughs> ที่อยู่อาศัยของใจก็คือความสงบความลงับจากความโลภจากความอยากต่างๆ ท, ที่จะเกิดจากการที่เราเดินจงกรมนั่งสมาธิเดินจงกรมก็จะเรีนสตินั่งสมาธิก็ทำใจให้สงบ พ, พิจารณาไตรลักก็เป็นจานจเจริญปัญญา พิจารณาให้เห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่เป็นทุกข์นาไปสู่ความทุกข์เพราะอยากแล้วถ้าไม่ได้ก็ทุกข์ได้มา้ว เ, เสียไปก็ทุกข์แล้วก็จะอยากเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆถ้าตัดความอยากได้ไม่ทําตามความอยากต่อไปก็จะไม่ทุกข์กับอะไรเพราะจะไม่มีอะไรให้ทุกข์ด้วยอยู่กับความว่างดีกว่าความว่างไม่มีวันหมด อยู่กับเราตลอดเวลาแต่สิ่งต่างๆนี้มันมีวันหมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้มันไม่ถาวรมันไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีการเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดามีการเกิดมีการดับไปเป็นธรรมดาสิ่งใดมีการเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ต้องมีการดับไปจะดับช้าดับเร็วนะั้นเองใช้ปัญญาแล้วใจ จ่ได้ไม่อยากได้อะไรราะได้อะไรมาก็เท่ากับได้ความทุกข์มาเพราะสิ่งที่ได้มามันก็จะต้องหมดไปต้องจากเราไปหรือเราต้องจากเขาไปเรื่อจากกันก็ร้องหหมร้องไห้ <c oughs> กินไม่ได้นอนไม่หลับไม่มีความสุข แต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จะไม่ทุกข์ไม่มีอะไรก็จะไม่ทุกข์มีอะไรก็ต้องทุกข์กับสิ่งที่มีหลับเพสังขาลาทุกขาสิ่งต่างๆสังขารคือสิ่งต่างๆที่ประกอบขึ้นด้วยดินน้ำลมไฟนี่เป็นของไม่เที่ยงมีการรวมตัวกันก็ต้องมีการแยกกัน ไม่ว่าจะเป็นข้าวของเองินทองสิ่งของบุคคลต่างๆนี่ต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดมีวันดับกันเนยร่างกายของพวกเราทุกคนเนี่ยต่อไปก็ต้องกลายเป็นขี้เท่าที้ฐานกันไปไม่มีร่างกายของใครที่จะอยู่คำฟาแม้แต่ร่างกายของพระพุทธเจ้าก็ยังต้องกลายเป็นอธิกลายเป็นพระธาตุไปนั่น นี่คือการใช้ปัญญาสอนใจอยู่เรื่อยๆเพื่อเราจะได้หยุดความอยากต่างๆได้รู้ว่าสิ่งที่เราได้มาจะต้องเสียไปความสุขที่ได้มาจะกลายเป็นความทุกข์ไปนั้นก็ขอให้เราเข้าใจว่าที่เรามาศึกษากันมาปฏิบัติธรรมนี้เป้าหมายของ การศึกษาของการปฏิบัตินี้คือการลดละความโลภความอยากต่างๆถ้าไม่มีความโลภความโกรธก็จะไม่มีความโกรธนี่เกิดจากความโลภความอยากเวลาอยากได้อะไรพอมีใครมาขัดขวางหน่อยก็โกรธโกรธคนที่มาขัดขวางโกรธคนที่ทำให้เราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้ เกิดจากความหลงความโลภ ก, ก็เกิดจากความหลงที่คิดว่าได้แล้วจะมีความสุขแต่ไม่รู้ว่าเป็นความสุขปลอมความสุขแบบเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดนี่มันมันเป็นสิ่งที่น่ากินไหมกินแล้วก็ถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากตะขอเบ็ดเกี่ยวปากแล้วมันเจ็บไม่เจ็บ พอโลภอยากได้แล้วแล้วมันก็ติดได้แล้วก็อยากจะได้ไปเรื่อยๆคนเคยดื่มอะไรแล้วพอดื่มแล้วก็ต้องดื่มไปเรื่อยๆเ ด, ดื่มกาแฟเดือมสุราพอดื่มแล้วก็ติดใช่ไหมเวลาไม่ได้ดื่มสุกไหมทุกหรือสุกหรือทุกทุกเหมือนกับถูกตะขอแบดเกี่ยวปากเวลาที่ไม่ได้ดื่มเราให้มองอย่างนี้แล้วเราจะได้ ไม่อยากที่จะอยากกับอะไรแต่ถ้าของมันมาโดยที่ไม่มีความอยากนี่ไม่เป็นไรอย่างพระเนี่ยญาติโ ย, ยมจะอะไรถวายมากินได้หมดแต่ไม่ได้กินเพราะเกิดจากความคิดของเรากินาะเกิดจากความคิดของยากิโยมเอามาให้เองถ้าไม่เอามาให้เราก็เราก็ไม่คิดที่จะไปหามันถ้าไม่ไปคิดไปหามันก็ไม่เดือดร้อนก็รู้ว่ามันเป็นแค่ของชั่วคราว กินเฉพาะวันนี้พูดว่าพรุ่งนี้ก็ไม่มีมาอีกแล้วถ้าเราไม่ไปทําตามความอยากมันมาเองนี่มันก็จะไม่เป็นปัญหาอะไรแต่ถ้ามันมาซ้ำซ้ำบ่อยๆทุกวันก็จะต้องระวังบางทียาโยเมตตา <c oughs> เห็น <c oughs> เห็น <c oughs> ชอบกินอันนี้ก็เลยเห็นหยิบอันนี้กินก็เลยมาให้กิ น, น <c oughs> บ่อยๆบางทีก็ต้องเลิกกินบ้างพอเลิกกินญาโยเห็นไม่หยิบเดี๋ยวเขาก็ไม่เอามาให้ ระวังมันจะติดทำอะไรระวังให้อย่าให้มันติดถ้าทำแล yep ้วไม่ติดไม่มีปัญหาถ้าทำแล้วติดมันจะมีปัญหาเวลาติดแล้วเวลามันไม่มีมันจะทุกข์ใช่ไหมแต่ถ้าเวลาไม่ติดมันไม่มีมันไม่ทุกข์หรอกความสุขที่ยิ่งใหญ่อยู่ที่ใจเราอยู่ที่ความสงบอยู่ที่ความความไม่มีความอยากไม่มีความโลภไม่มีความโกรธ ใจจะเบาใจจะสบายใจจะอิ่มแต่พอมีความโลภปั๊บความอิ่มหายไปความหิวก็เกิดตามมาทันทีแล้วพอไม่ได้ทาตามความอยากความโลภก็อุดเหงิดอุดหงิดนำคาญใจบางทีก็รู้สึกเศร้าซ้อยง่อยเหงาว้าเวอยากไปเที่ยวกับเพื่อนไม่ได้ไปก็เหงาอยู่บ้านคนเดียว แต่ถ้าหยุดความอยากได้จะไม่รู้สึกเหงาไม่รู้สึกว้าวเวจะนั่งสมาธิพุโทโธพุโทโธไปพอพุโทโธไปสักระยะความอยากมันก็หยุดพอความอยากหยุดแล้วใจก็สงบเย็นสบายมีความสุขมาหาความสุขในตัวเราดีกว่าพอเราสามารถหาได้ทุกเวลาไม่ต้องมีอะไร ไม่ต้องมีเงินไปซื้อของต่างๆมาให้ความสุขไม่ต้องมีเพื่อนไปเที่ยวถึงจะมีความสุขขอให้มีสติมีพุทธโธหยุดความคิดหยุดความอยากให้ได้ก็จะมีความสุขชั่วคราวถ้ามีปัญญาก็จะหยุดก็จะหยุดความอยากได้ถาวรก็จะได้ความสุขที่ถาวรสตินี่หยุดความอยากได้ชั่วคราว ปัญญานี่จะหยุดความอยากได้อย่างถาวรเพราะปัญญาจะสอนให้เราเห็นว่าสิ่งที่เราอยากนี่มันเป็นเหมือนงูพิษถ้าเรารู้ว่าเป็นงูพิษเราอยากจะเข้าใกล้ไหยเข้าใกล้งูพิษเดี๋ยวก็ถูกมันกัดนะเ<ม>นี่ยของต่างๆที่เราคิดว่าเป็นขนมเนี่ยความจริงมันเป็นยาพิษทนะั้งนั้นพอไปติดแล้วมันก็ทาให้เราทุกข์กันเวลาไม่มีก็ทุกข์กัน ถ้าเราไม่ติดมีแล้วไม่มีเราก็จะไม่ทุกข์นี่คือปัญญาอย่าทำตามความอยากแล้วจะไม่ทุกข์ถ้าทำตามความอยากแล้วมันจะทุกข์เพราะมันจะต้องอยากไปเรื่อยๆแล้วมันจะต้องมีวันที่จะไม่ได้ทำตามความอยากพออยากแล้วไม่ได้ทำนี่ก็จะทุกข์มากเราต้องสร้างสติกันขึ้นมา สตินี่เราสร้างได้ตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยไม่ว่าเราทำอะไรเราจะใช้พุโทโธไปกำกับใจไปก็ได้หรือจะเฝ้าจดจ่ออยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่ก็ได้กำลังทำอะไรก็จดจ่ออยู่กับงานที่เรากำลังทำอยู่เพียงอย่างเดียวอย่าไปคิดถึงเรื่องอื่นถ้าจะคิดก็คิดอยู่กับเรื่องงานที่จะต้องคิดเช่นจะทำอะไรเป็นหมอจะฉีดยาต้องทาอะไรบ้างต้องเอาเข็มต้องเอาหลอดยา ก็ทาอยู่กับงานให้ใจอยู่กับงานที่กำลังทําอยู่อย่าไปคิดว่าเดี๋ยวเย็นนี้จะไปเที่ยวที่ไหนดีไปกินที่ไหนดีหรือไปคิดถึงอนาคตอันไกลว่ า, าจะมีแฟนหรือเปล่ามีใครจะมาหาเรามาชอบเราหรือเปล่าคิดไปเรื่อยเปื่อยคิดอย่างนี้เราจะทำให้ใจเศร้าหมองไปเปล่ า, าอย่าคิดให้อยู่กับปัจจุบัน อยู่กับเหตุการณ์ที่เรากำลังทำอยู่หรือถ้ามันคิดก็ใช้พุโทโธหยุดมันพุโทโธพุโทโธไปฉีดยาไปกบพุโทโธไปแล้วใจจะว่างจะเย็นจะสบายแล้วเวลาไม่มีงานทำก็นั่งหลับตาใจก็จะเข้าสู่ความสงบเข้าสู่สมาธิได้อย่างง่ายได้เข้าไปแล้วนี่นั่งชัง่วโมงหนึ่งรู้สึกแป๊บเดียว ตอน น, นั่งสมาธิเกือบชั่วโมงรู้สึกแป๊บเดียวสบายมีความสุขเอาความสุขแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องเสียเงินอชอบชอบเอาความสุขแบบเสียเงินกันความสุขแบบฟรีๆไม่ชอบกันก็เลยต้องเหนื่อยกับการไปหาเงินกันหาเงินแล้วก็มาซื้อซื้อความสุขต่างๆเดี๋ยวก็หมดหมดแล้วก็ต้องไปหาใหม่ เท่าไหร่ก็ไม่พอเพราะยิ่งมีเงินมากก็ยิ่งอยากจะซื้อมากยิ่งอยากจะใช่มากขึ้นไปเรื่อยๆเราะคิดว่ายิ่งซื้อมากยิ่งยิ่งมีความสุขมากถ้าใครซื้อเสื้อตัวละพันพอมีเงินหมื่นเงินแสก็ต้องซื้อตัวละหมื่นถึงจะมีความสุขมันก็เสื้อเหมือนกันแต่ความรู้สึกมันไม่เหมือนกัน ทำรู้สึกโอ้เสื้อชุดนี้แหมดีอย่างงั้นดีอย่างนีนงนน้สวยอย่างนั้นสวยอย่างนี้เน่ย <c> โ <oughs> ดนใจหลอกก็อย่างนี้เท่าไหร่ก็ไม่พอใจเงนินแล้วก็ต้องหาอยู่เรื่อยเวลาหาก็เหน็ดเหนื่อยใช่ไหมบางทีก็หาได้คล่องบางทีก็ไม่ค่อยคล่องบางทีก็สะดุดเวลาสะดุดก็รู้สึกหงุดหงิดลาคาญใจน ช่วงนี้พัทยาเขาบ่นว่าเงียบเงียบคนหายหมดรายได้ตกกันเปิดเทอมอ่าเปิดเทอมนำมาความสุขแบบไม่ต้องใช้เงินดีกว่ามาเจริญสติกันพุโทโธพุโทโธกันหรือคอยเฝ้าดูการกระทาของร่างกายไปอย่าปล่อยให้คิดเพ่อเจอพิ คิดแบบไม่มีเหตุไม่มีผลคิดคิดถ้าจะคิดก็คิดเท่าที่จําเป็นถ้าไม่จําเป็นก็อย่าไปคิดนคิดแล้วได้ความสงบคิดทางปัญญาคิดว่าทุกอย่างไม่เที่ยงทุกอย่างเป็นทุกข์เนี่ยคิดอย่างนี้บ่อยๆต่อไปมันก็จะไม่อยากได้ไม่อยากยามีอะไรอมีอะไรมาเยี่ยมเหรอหายเหรอ <c oughs> <laughs> อเดี๋ยวจะให้พรเดี๋ยวจะได้เพื่ออยากจะกลับกันนับพรกันนะยะถาวาริวาหาคุราตาลกปุเรนติสาครังเอวเมวะอิตโตทินังเปตานังอุปกับปฏิอิจิตังปัิตังตุมหังกิ ป, ปเมวะสมมิจัตุ สัพเพบริ่นตุสังคปาจันโทปนะระโสยธาเมณิจติอระโสยธาสัพพิติโยวิวาชันตุสัพพารโควินาศตุมาเตภวตวันตราโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนสีลิสานิจังวุฒาปจายโน ยตาโรธรรวาทาติอายุวโนสุขังภาณัเนี่ยให้มองทุกอย่างเหมือนที่เราเห็นตะขาบเนี่ยนะมองเห็พอเห็นตะขาบไมน่หนีเลยไหถอยเลยออมงของทุกอย่างว่ามันร้ายกว่าตะขาบอีกได้มาแล้วเดี๋ยวโดนมันกัดเอาไงซื้อข้าวซื้อของมาเดี๋ยวโดนมันกัดนะตะขาบตัวนิดเดียวหรอกตัวก็เริ่มแล้วยังหนีเลยนะ มันไม่กาแเราหรอกแต่เรานั่งเฉยๆมันก็ตายเต้าไปตามเรื่องของมันมันก็ไปหากินหาอยู่ของมันไปแต่ใจเรามันมันกลัวพอเห็นอะไรกลัวละใครมาทีหลังอยากจะถวายเข้าของก็เข้ามาได้นะแต่ยังไม่ได้ถวาย ใครต้องการหนังสือซีดีก็หยิบได้ใครอยากจะกลับก็กลับได้ใครอยากจะถามปัญหาก็ถามได้วันนี้แบบฟรีสไตล์โปรโมชั่นไม่เหมือนกับวันเสาร์อาทิต ย, <laughs> ย์คนเยอะเหรอคะคือคนเยอะคนจะมาฟังถามกันเยอะก็นั่งเทศให้เสร็จไปเป็นเรื่องๆ เ, เทศเสร็จแล้วก็เข้ามาถวายข้าวขอ สายข้าวของเสร็จก็ถามตอบปัญหาธรรมกันนะส่วนคนธรรมดาคนไม่มากก็แล้วก็มาไม่พร้อมกันก็ปล่อยให้เป็นไปตมามอัธยาศัย อ, อยากที่นี่กลับไปปัจจิยนนี่ใช้เวลาเท่าไหร่สองชั่วโมงนะไปทางสามชั้นหนึ่งนี้ไหมปานป ไปผ่านแปดลิ้วก่อนใช่ไหมอยากมุดเข้าแปดลิ้วออกเนึ่ไม่เข้าแปดลิ้วเลยผ่านไปเลยอ๋อไปเส้นไปพนมไปปาจีนปาจีนนี่ก็ติดกับชายแดนเนี่ยบางจังหวัดบางอำเภอเดี๋ยวไม่ติดแล้วเดี๋ยวแยกเป็นนี่สาแก้วไปนะปาจีนแล้วไม่มีอำเภอติดกับชายแดนเลยไม่มี อลันยประเทศที่ไปปล่อยเป็ดใช่ไหมอรัอบบนปล่อยเป็ดนี่เดี๋ยอยู่อยู่กับติดกับสาแก้วเลย เ, เคยไปมาทั้งปล่อยเป็ดนานแล้วตั้งแต่ก่อนบวชสี่สิบกว่าปีแล้วเวลากินอาหารที่ทํางานเก็ทําให้กินเดือนแรกๆก็รกกอร่อยอยู่เออแล้วมันจะซ้ำๆแล้วมันก็เบื่อ เริ่มอยากกินมานกก็ดีแล้วมันเบื่อแสดงว่าดีจะได้ไม่ต้องกินทำเหนื่อยก็อย่าไปกินมันพอสัอ่งมือหนึ่งเดี๋ยวมันก็หายมันก็หิวมันก็กินได้เช่นกันอย่างน่ <laughs> งากิเลสละกินแบบพระเนี่ยเขาจัดอะไรมาให้กินก็กินถ้าเบื่อแสดงว่ากินมากเกินไปล้ว ถ้ามันหิวมันไม่มีเบื่อหรอกข้าวคุกน้ำปลาก็ยังอร่อยเลยลองกินวันละมื้อดูสิมันไม่เกี่ยวหรอกมันกิเลยมันหลอกเราเองพระกินวันละมื้อเห็นลองถ้ามันเบื่อแสดงว่ามันร่างกายมันพอละใจมันถึงมันไม่ร่างกายมันไม่มีความดูดเด่มกับอาหารแล้ะมันก็เลยเบื่อ ถ้าร่างกายมั น, นหิวนี่มันอะไรก็ดูดได้หมดมันไม่เบื่อออาไม่เชื่อลองดูเลยลองลดกินดูมือสองมือเขาเรื่องกี่มือสามมือเลยแบบสอค่ะสอ ง, อสองลองลดเอาแค่มือเดียวดูน้ำลองได้ไม่เบื่อแล้วตัดปัญหาจะต้องไปเสียเงินเสียทองไปข้างนอกไปซื้ออแค่คิดก็ไม่เบื่อแล้วค่ะแค่คิดก็จะต้องอดกินได้<อ> กิเลนนั้นนายนอะทางนี้มาจากที่ไหนกันมาจากสีนราชาสีนราชามากันกี่คน<ส>หา้าคนนะคนเดียวคนเดียวอ่าแล้วลที่นี่จัลลยาอย่ากี่คนสี่ลูกลอกเนี่ลลูกกล้ยสอคนอ่าพวกนี้ตรงเรียนปล่อยกันแล้ว น, นะทางนี้มาจากที่ไหนกันอัธยามาสามคน เคยมาป่ะไม่เคยมาอ่าแล้วเป็นยางไงมาแล้วได้อะไรกลับไปไหมพ่อนมีอะไรอยากจะถามไหมมันอยากเสียชาทำอะไรอยอะมาทำงานบริษัทอยู่ที่ป่งแง ทำสินาชาทำโรงงานเนี่ยเป็นกลางกลางคืนหรือว่าเป็นจันทร์ถึงศุกรนจันทร์ถึงศุกร์ตี5โมงืนวันนี้หยุดเหรอวันนี้ผมลาเคยมาหปล่าเคยมาวันเสาร์อาทิตย์ครับบรรยากาศไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันเพิ่งเคยมาวันธรรมดาวันนี้วันันธรรมดาจะเงียบๆกว่า นนี้ฝนตกทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ามืดเลยก่อนจะออกบินทบารก็ตกเวลาบินธบารวันนี้ตกหนักเลยจีวรเปียกฝนสาดแต่ก็เย็นสบายดีอ้าวถ้าอ้าวเท่าไหร่ะคะแต่ว่าคือพระอาจารย์อธิบาย Uh huh. จะกราบขอบพระคุณที่อาจารย์ได้ยกตัวอย่างแล้วก็เปรียบเทียบอะไรกใกล้ตัวให้เข้าใจธรรมะได้ง่ายขึ้น uh huh. แล้ก็ขอบพรคุณอาจารย์ออกมาี่ทํใาให้ธรรมะแบบนกแก้วนกหูทองที่หนูเคยอ่ า, มา uh huh. นมาฟังมาแต่ก็ไม่เข้าใจเท่าไหร่ขอ uh huh. ขอาจารย์เปรียบเทียบ uh huh. ให้เข้าใจง่ายๆยกตัวอย่างเนี้ยค่ะ uh huh. อชาวบ้านในหนูเขะเข้าใจง่ายจุด ก็คือการของบคุณค่ะแล้วก็อที่พระอาจารย์เคยอธิบายผม น, นึกถึงตื่นเต้นมาก <laughs> ที่พระอาจารย์เคยอธิบายว่าผมว่าเวลาเราดูจิตไจแล้วเราเห็ความโกรธขัดใจไม่พอใจทุกข์ใจแรงใจเยอะค่ะที่พระอาจารย์บอกมันเหมือนแก้ที่ไปอย่างนี้ใช่ค่ะมันก็เห็นมันก็ดับอาจเห็นแล้วมันก็ดับบางทีอะพอสติเราไวเราก็เห็นว่ามันเบาเบา ขัดใจแต่ว่าสุดท้ายที่พระอาจารย์บอกให้มาดูที่ความอยากพมันเป็นต้นเหตุโอ้ยแบเวลาจะมีสติหรือเวลายิ่งๆเนี่ยมัเข้าไปดูขนปัญญาขึ้นมาว่าเออมันอยากอะไรทำไมมันโกรธพอมันไม่สมอยากมันก็เลยขัดใจมันไม่ได้หลั่งใจมันก็เลยไม่พอใจเหมือนที่พระอาจารย์พูดเมื่อกี้ค่ะมันเกิดมาหลงผิดก่อนหลงร่วมกันแต่แล้วมันก็อยาก ไม่ได้อย่างใจออืพอไม่ได้อย่างใจมันก็ไม่พอใจมันก็โรกรธสาดขือนันูจได้ที่พระาจารย์ใชู้ดเรื่องถ้าคนมีปัญญาจะจะรู้ว่าความอยากคืออะไรไความอยากอะไรในใจที่ที่ทําให้เราทุกข์คืออะไรหนูเข้าใจไว้แล้วนะคะอแล้วพอเรานิ่จงจริงจเจริญสติจเจริญสัมมาสติที่พระอาจารย์สอนค่ะ เออมันใจรู้เขาว่าความยากที่ทําให้เราทุกข์ท่าไหนจริงๆคืออะไรพอเรามีบัญญารู้งั้นนี่นงงอุ้ยมันไอ้ทุกข์ที่เคยมีในใจมากรายลดลงเยอะเลยค่ะหนูก็ใจถูกไงก็นั่นแหละก็ถูกว่าถ้าทุกข์มันดับไปก็แสดงว่าถูกอ่าพูดไกล อ, อยากให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องการปฏิบัติจิตตภาวนาขณะฟังเทศค่ะว่าขณะที่เราฟังเทศเนี่ยเรายังต้องสามารถรู้ลมหายใจตัวเองอยู่พร้อมกับฟังครูบาอาจารย์เทศไปด้วยหรือว่าตอนนี้เราพักลมหายใจไว้ก่อนแล้วฟังแต่ครนะูบาอาารย์เวลาฟังเทศต้องฟังเสียงธรรมเสียงธรรมนี่จะทําให้ใจเราสงบ ถ้าเราฟังไปโดยที่เราไม่ได้พิจารณาตา่างฟังเฉยๆเหมือนกับพุทโธอย่างเงี้ยคือฟังไปจะเข้าใจไม่เข้าใจไม่เป็นไรขอให้ใจเราไม่ไปคิดเรื่องอื่นให้ติดตามเสียงไปเรื่อยใจก็จะสงบได้เหมือนเป็นเหมือนการดูลมหายใจแทนที่จะดูลมหายใจก็ใช้ดูเสียงธรรมแทนอันนี้ ถ้าฟังเทศก็ต้องฟังเสียงธรรมถ้าจะดูลมหายใจก็ปิดเทศไปแล้วแต่เราแต่นอกจากการดูฟังเทศเพื่อให้สงบแล้วเรายังฟังเทศให้เกิดปัญญาได้ถ้าฟังเทศให้เกิดปัญญาเราก็ต้องวิเคราะห์ตามต้องพิจารณาตามเหตุตามผลที่แสดงว่าความอยากทำให้เราทุกข์เราก็ต้องเข้าใจอันนี้ก็จะฟังเพื่อปัญญา ฟังได้สองแบบฟังเพื่อสมาธิรลอฟังเพื่อปัญญาบางคนยังไม่มีความสามารถที่จะวิเคราะห์ด้วยเหตุด้วยผลได้ตามที่ผู้แสดงได้แสดงไว้ก็ต้องอาศัยฟังไปเพื่อความสงบก่อนฟังเสียงไปเรื่อยเพราะใจเราถ้าไม่มีอะไรผูกไว้เกาะไว้มันก็จะไปคิดเรื่องนู้นเรื่องนี้พอฟังเสียงเทศไปมันก็เลยไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ทาให้สงบได้ แต่ไม่สงบเต็มที่ไม่เข้าถึงขั้นอัปปนาสมาธิไม่ตกหลุมตกบ่อแต่จะทำให้ไม่ฟุง้งซ่านจะทำให้ใจเบาใจสบายแต่ก็ยังมีความคิดอยู่แต่ไม่มากถ้าอยากจะให้มันลวงลึกเนี่ยต้องนั่งหลับตาดูลมหายใจหรือพุทโธไปอย่างเดียวไม่ฟังเทศการฟังเทศนี่มันมันจะทำให้เราลงสู่สมาธิได้ยากกว่า มีแคค่วามสกม็ถ้าฟังด้วยด้วยการวิเคราะห์ตามก็ได้ปัญญาถ้าเรามีความสามารถวิเคราะห์ตามได้แล้วเราสามารถปฏิบัติได้ในขณะที่เราฟังเราก็บรรลุธรรมได้เช่นถ้าเราฟังแล้วรู้ว่าความทุกข์ของเราเกิดจากความอยากของเราตอนนี้พอดีเรากำลังอยากอยากเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่ก็เปลี่ยนใจไม่เอามันละ พอเราไม่เอามันปั๊บความทุกข์ที่เกิดจากเรื่องที่อยากได้เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็จะหายไปอันนี้มันก็บรรลุทําได้ในขณะที่ฟังบรรลุผลแต่มอาจจะไม่เป็นขั้นมากขั้นขั้นอขั้นโสดาหรือขั้นอะไรแต่มันก็เป็นขั้นขั้นที่เรายังติดอยู่ติดกับปัญหาเรื่องนั้นกับเรื่องนี้กับคนนั้นกับคนนี้ พอมาวิคราะห์แล้วว่าเอ๊ะเอมันเกิดจากเราเองเนีเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เองพอเขาไม่เป็นเราก็เลยโกรธเขาว่างเกลียดเขาว่างทุกไปกับเขาพอเราตัดเปลี่ยนใจว่าเหมือนเขาจะทําอะไรก็เรื่องของเขาเราห้ามเขาไม่ได้พอเราปล่อยเขาไม่ยุ่งกับเขาปั๊บเราก็ไม่ทุกข์กับเขาอีกต่อไปอันนี้ก็ปัญญา ในอันิสงของการฟังธรรมก็มีอยู่ห้าประการข้อที่หนึ่งจะได้ยินได้ฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนอสองธรรมที่เราเคยได้ยินได้ฟังแล้วพอเรามาฟังซ้าอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลำดับสามจะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องคือกาจัดความหลงที่เป็นความเห็นที่ไม่ถูกต้องนั่นเองความหลงมันจะหลอกให้เราคิดว่ามีนั่นมีนี่แล้วเราจะมีความสุข แต่พอฟังทำแล้วเราจะรู้ว่าการมีนั่นมีนี่แหละคือการมีความทุกข์เนี่ยก็จะมีความเห็นที่ถูกต้องต่อไปก็จะไม่อยากมีนั่นมีนี่แล้วไม่มีอะไรดีกว่าแม้แต่ร่างกายนี้ก็ไม่อยากจะมีมันต่อไปมีร่างกายนี้ก็ยังต้องทุกข์กับมันอยู่แล้วก็จะทำให้จิตมีกำจัดความสงสัยต่างๆได้ สงสัยเรื่องนั้นเรื่องนี้พอฟังธรรมบ่อยๆมันก็จะเข้าใจแล้วก็จะหายสงสัยแล้วลอกมีจริงหรือเปล่าสวรรค์มีจริงหรือเปล่าเวียนว่ายตายเกิดมีจริงหรือเปล่าใครไปเกิดใครไปเวียนว่ายถ้าฟังธรรมแล้วก็จะรู้ว่าว่าร่างกายนี้ไม่ไปเกิดแล้วร่างกายตายแล้วก็จบแต่ใจไม่ได้ตายไปกับร่างกายใจนี่แหละที่ไปเป็นดวงวิญญาณไปเกิดใหม่ไปมีร่างกายอันใหม่ ก็จะไม่สงสัยเรื่องการเวียนว่ายตายเกิดกำจัดความสงสัยต่างๆได้พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเพราะทำคาสอนนี้เป็นคำสอนจริงหรือเปล่าพระอริยสงสาวุกมีจริงหรือเปล่าฟังไปเรื่อยๆแล้วก็จะไม่สงสัยในพระพุทธรรมพระสงฆ์แล้วฟังแล้วก็ทาให้จิตใจผ่องใสสงบมีความสุขนเวลาฟังธรรมอย่าพุทธโธอย่าดูลมหายใจตั้งใจฟัง นอกจากว่าเราอยากจะพูดโธก็ได้ไม่ห้ามถ้าพูดโธก็อย่าไปสนใจกับเสียงธรรมถ้าจะดูลมก็อย่าไปเสียงใจสนใจกับเสียงธรรมถ้าเอาทั้งสองอย่างมาปนกันแล้วมันจะชนกันแล้วมันจะสงบยากหรือไม่สงบเอาอย่างใดอย่างหนึ่งเอาเสียงธรรมก็ฟังธรรมไปเรื่อยๆ เ, เอาพูดโธก็พูดโธไปเรื่อยๆ บางคนไม่ไ ม, มีกําลังที่จะพุทโธบางคนไม่มีกําลังที่จะดูลมก็เลยต้องอาศัยเสียงธรรมการฟังธรรมนี้เหมาะกับคนที่ยังมีสติกําลังไม่มากพอไม่สามารถนั่งดูลมเองได้ไม่สามารถพุทโธได้ก็อาศัยการฟังธรรมเป็นเป็นตัวแทนพุทโธไปตัวแทนดูลมไปฟังไปเรื่อยๆแล้วถ้าไม่ไปคิดอะไรใจก็จะเบาลงสงบลง ม, มีความ สบายมีความสุขเกิดขึ้นมาตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะตอนแรกลองทําทั้งสองแบบก็ยังสับสนอยู่ว่าจะเอาแบบไหนดีเออใช่ต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งถ้าฟังธรรมนี่ควรจะฟังดีกว่าเพราะว่าเราจะได้ประโยชน์มากกว่าเพราะาคือประโยชน์คือทางปัญญาถ้าฟังเพื่อปัญญานี้ถ้าเราไม่ฟังเราจะไม่รู้ว่าปัญญาคืออะไรเราจะไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไร สมาธินี้ไม่ให้ความรู้กับเราสมาธิเช่นพุโทโธพุโทโธนี่มันเพียงแต่จะให้ความสงบอย่างเดียวแต่จะไม่ให้ไม่ให้มีเกิดความเห็นที่ถูกต้องไม่ทำให้เรากำจัดความสงสัยต่างๆที่เรายังมีอยู่ได้ต้องฟังแล้วพิจารณาตามถึงจะเข้าใจเช่นเวลาเราเรียนหนังสือครูก็สอน 2อบวกสองเป็นสี่ถ้าเราไม่ตั้งใจฟังแล้วก็ฟังไม่เข้าใจสองแต่ถ้าครูก็บอกสองเป็นอย่างนี้สองกับสองมารวมกันก็จะเป็นสี่อย่างนี้ต่อไปเราก็เข้าใจอ๋อการบวกกันจะทำให้เกิดอะไรตามมาเนี่ยคือเราต้องพิจารณาตามวิเคราะห์ตามถึงจะเข้าใจถ้าฟังเฉยๆก็ฟังไม่รู้เรื่องถ้าไม่เอามาวิเคราะห์ตาม เจอหมอที่ทํางานกันแล้วอย่างนี้อยู่คนละั่แหนกันเจอกันแล้วเหรอหมอเขามาที่นี่นะวัด น, นี้มีหมออยู่บวชอยู่ตั้งสี่คนอาจารย์ทศิริาาราชอาจารย์ศิริราชหมออเป็นหมอทางผู้หญิงหมอผ่าตัดหมอสัลย์สุตินาร ว, าราวีท่านกเกษียณอายุหกสิบเก้าแล้ว หอกษียณปท่านก็บวชเลยสามปีแล้วมั้งแล้วมีหมอคนเป็นหมอสันหมอหัวใจอยู่ที่ขอนแก่นก็มาบวชได้พันศาหนึ่งแล้วแล้วก็มีหมอคนนึงก็บวชได้สิบกว่าพันศาแล้วอีกคนก็สี่ห้าพันศามีหมออยู่สี่คนที่มาบวชอยู่ที่นี่คนที่มาบวชที่นี่ส่วนใหญ่มักจะมีการศึกษามาก่อนเพราะเขา เขาเขาบวชเพื่อมาศึกษามาปฏิบัตินถ้าวัน่นนี้บางทีเขาไม่ได้บวชมาเพื่อมาศึกษามาปฏิบัติก็จะเป็นแบบว่ามาบวชเพื่อมาทํากิจกรรมมากกว่ามาสวดศพม า, ารับสังฆทานมาบางสกุลนี่ยตรงนี้เขาก็ไม่ต้องมีความรู้อะไรขอให้รู้คะขอให้ขอให้สวดอันนี้จะวัฏสงฆ์ฆาลาได้ก็ทํากิจได้แล้วะ ที่นี่มีหลายองค์ค่ ะ, อะตอนนี้มีเหลืออยู่แค่สององค์ชาวฝรั่งเศสองค์หนึง่งชาวอเมริกันองค์หนึง่งแล้วก็มีมาบวชแล้วลาสิกขาไปก็มีหลายองค์มีชาวอเมริกันบวชแล้วก็ลาสิกขาไปชาวเยอรมันบวชแล้วก็ลาสิกขาไปมีหลายรูปอยู่แล้วก็บางทีก็คิดถึงบ้านบางทีก็วิตกกังวลกับอนาคต แกแล้วกลัวว่าเดี๋ยวไม่มีไม่มีเงินรักษาตัวกลัวว่าจ ะ, ะคือประเทศเขานี่ค่ารักษาตัวมันแพงต้องมีประกันสังคมต้องมีประกันอะไรของไทยเรานี่มันไม่ค่อยแพงแล้วพาระเราก็ส่วนใหญ่ก็มีญาติโยมคอยดูแล แต่เขาก็แบบว่าค่อนข้างจะพิธีพิถันเรื่องการรักษาโาครคภัยไข้เจ็บเขาก็อยากจะได้มีความมั่นใจบางทีเขาไม่มั่นใจว่าเดี๋ยวเกิดเขาเจ็บไข้ได้ป่วยอยไปรักษาที่ไหนเขากลัวไปรักษาจนไอ้สามสิบบาทรักษาทุกอย่าจริงจรฟรีนะคะพาร์าไม่ต้องเสียเหมือนตอนนู้นก็ให้เสียซ้แต่ตอนนี้ฟรีเลยค่ะก็ไม่เก็บสามสิบแล้ว อแต่ต้องอยู่ต้องมีบัตรใช่ไหมบัตรประชาชนอแต่ถ้าเป็นฟ้าก็พราปไทยนะไม่มีปัญหาแต่ภาพฝรั่งก็ไม่ซ้ำกันการโรงพาบาลไมน่าเกแต่ก็ยังมีพวกที่เป็นพระขาวมาเป็นชาวต่างประเทศก็ยังมีอยู่มีชาวฮอลแลนด์อยู่คนหนึ่งมีชาวสกอตแลนด์แล้วนี่ก็มีพระมาเลเซียมารูปเนึ่ย อยู่ที่มาเลาเซียบวชแล้วก็มาติดตามทางเฟซบุ๊กมาก็เลยตามมาก็มีมาอยู่เรื่อยๆชาวต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่จะเป็นคลราวาสมีอะไรไหม ม, มีอะไรอยากจะถามอีกไหมไม่มีใ้ถามเอาทางบ้านมันก็ได้งั้นวันที่เข้ามาเท่าไหร่เฟซบุ๊กสูงสุด374ค่ ะ, ะทาง y o u t u b หกสิบสองค่ะคำถามจากคุณมดค่ะนั่งสมาธิจำเป็นต้องเข้าอัปปนาสมาธิแบบกับแบบแบบดับการรับรู้หมดไหมคะไม่จำเป็นอะ่ะแต่มันได้ก็ดีให <c oughs> ม่ใหม่มันไม่ได้หรอก <c oughs> ส่วนใหญ่นี่นั่งเพียงแต่ไม่ไม่ให้ฟุ้งซ่านก็นดีแล้วแต่มันไม่ดีพอท่านั่นเองมันไม่สามารถที่จะฆ่ากิเลสได้จะฆ่ากิเลสได้นี่มันต้องใช้อัปปนาสมาธิฆ่า เป็นสมาธิธรรมดานี่มันก็แค่นับแปท่านเองให้มันสลบสลายไปชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็ฟื้นกลับขึ้นมาใหม่แต่ถ้าอยากให้มันตายอย่างล่ามคลามนี้ี่มันต้องแบบแบบแบบแสงบเต็มที่ก็พยายามทํำไปอันนี้ที่สอนนี้ไม่ได้มาก็ราะจทุกคนจะต้องอัปปนากันนะเพีแต่สอนให้รู้ว่าอสมาธิมันมีมันมีอยู่กี่ระดับกันระดับไหน จะเหมาะกับอะไรถ้าต้องการที่จะเอาไปใช้กับปัญญาเพื่อฆ่ากิเลสเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานนี่มันต้องอัปปนาสมาธิแต่ถ้าใช้ตามปกตินั่งพอให้มันเบา อ, อกเบาใจหน่อยก็นั่งไปสงบบ้างไม่สงบบ้างมันก็อย่างน้อยทําให้เราลืมเรื่องเครียดต่างๆได้ทํางานมาแล้วเครียดกับเรื่องนั้นเรื่องนี้พอเรามานั่งสมาธิใจหยุดคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ มันก็เบาสบายใจขึ้นมาแต่มันก็ยังกลับไปหาเรื่องนั้นต่อแต่ถ้ามีปัญญามันไม่กลับไปแล้วอะถ้ารู้ว่าเครียดกับเรื่องนั้นแล้วกลับไปทำไมเหมือนกับเมื่อกี้เนี่ยเห็นเห็นเห็นตะขาบล้่อยากจะกลับไปไหมมันไม่เห็นว่าเป็นตะขาบไปเลยมันก็ยังกลับไปอยู่ยังไม่เห็นว่ามันทุกข์ทั้งๆที่เครียดกับมันก็ยังกลับไปอยู่ เพยังอยากได้เงินจากมันอยู่เี้ช่นไปทํางานเนี้ย <c oughs> ทํางานแล้วเครียดเนี้ก็จะต้องกลับไปอยู่เพราะยังอยากได้เงินอยากมันคุณพี่มันเหมือนงูอิงหางรราอาจารย์คือเหมือนกับว่าพอเราเครียดอย่างเงี้ยมันก็มีเรื่องให้คิดมันก็นั่งสมาธิได้ยากนั่งมไม่สงบมันก็ยิ่งเครียดใหญ่ยิ่งเคออไรียดใหญ่ก็เลยไห่รู้จะเอางูก็ต้องหยุดม <ๆ S 1> ๆๆัาด้วยสติเวลาทํางานก็อย่าไปเครียดกับงาน เรคิดว่าเป็นแค่งานทํามีอะไรทําก็ทําไปหรือบางทีมันไม่ถึงกับไม่มันไม่ใช่เครียดแคทีเดียวค่ะมันเหมือนกับแบบว่าเอามาคิดวางแผนต่อเ น, นี่คค ย, ยค่ะก็เลยเคยดอย่างนี้บางทีนี่มันนอกไปลางงานแล้วอยู่เครียดอย่างหนึ่งก็เพราะไม่อยากทําไม่ใช่หรือถ้าอยากทํามันก็ไม่เครียด่คนที่เขาอยากทำเขามีความสุขกับการทํำก็มีนี่ถ้าต้องทําด้วยความจําใจมันก็จะรู้สึกเครียดขึ้นมาอะไรนิดๆหน่อยมันก็จะทําให้เราเครียดขึ้นมาทันที เราต้องเปลี่ยนใจว่าตอนนี้ต้องอยากต้องทํำต้องชอบทํำมันจะได้ไม่เครียดมันจะได้มีความสุขกับการทํางานททํําาาาดด้้ววยยฉัันหหรือตก็ <ๆ S 2> ตนั่นแหละมันก็ทําด้วยตัณหาก็ได้ทําด้วยฉันทาก็ได้ให้อย่างใดอย่างหนึ่งแต่อย่าไปทําด้วยความไม่อยากทำํำถ้าจะทําำเ้าต้องเอาอย่างใดอย่างหนึ่งะคนที่ทําด้วยตัณหาเขาก็มีความสุขกับมันนคนที่ <c oughs> ทําด้วยฉันทาก็มีความสุขก <c oughs> ับมันเหมือนกัน แต่ถ้าทำด้วยไม่มีความอยากทำนี่มันก็ไม่มีความสุขเหมือนกับว่าที่อาจารย์สอนว่าให้ทำเพราะว่ามันจำเป็นอย่างเงี้ยค่ะอ่มันจำเป็นแล้วก็หัดชอบมันไปสิอย่าไปฝืนอย่าไปอย่าไปต้องหัดชอบมันะจะได้มีความสุขกับการทำงานคาถามจากคุณลาวันค่ะรูจะ้จะรู้ได้อย่างไรว่าเราจิตมีความพอดีคะ่ะ พอดีก็คือเหมือนใส่ยรองเท้าเรารู้ไหมว่ารองเท้าเราพอดีกับเท้าเรารึเปล่าพอดีก็คือพอไงถ้าพอมันก็ดีถ้ามันยังไม่พอมันก็ไม่ดีนะถามตัวเองว่าพอแล้วยังถ้าพอแล้วก็ดีถ้ายังไม่พอมันก็ไม่ดีย่าไหมเวลาไม่พอดีไหมไม่ดีไหเวลาไม่พอก็อยากจะได้นู่นได้นี่ต่อ แต่ถ้าพอแล้วก็ดีแนะสบายนัถ้าอยากจะรู้ว่าพอดีหรือไม่พอดีก็ให้รู้ว่าพอหรือยังถ้าพอแล้วก็จะดีอาจารย์นะแล้วคนที่แบบว่าคนที่เป็ น, น, ปนมีความพอดีนี่เป็นลักษณะของคนแบบคนน้ําเต็มขวดไหมอา้าวใช่เนี่ยก็พอแล้วเนยพอแล้วมันก็จะเอาอะไรกันน้ำมันเต็มขวดแล้วคุณสายไปได้หรือเปล่าอ่านั่นแหละแต่น้ําของคนขวดของคุ ณ, คณ ม, มันมีรอยอรั่วเลยปัญหาเนี่ย ตเติมไปเท่าไหร่เดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็หายไปเหมือนตุ่มน้ําที่มี้อยรั่วเนี่ยเติมเข้าไปตอนต้นก็เต็มตุ่มเดี๋ยวสักพักกลับมาเอาหายไปไหนนะว ใ, ใจเรามันมีรอยรั่วอยู่สามรอยรู้ปะ่ะต่อให้เติมอะไรเข้าไปเท่าไหร่ก็ไ ม, ม่เต็มเต็มเดี๋ยวเดียวอยากได้อะไรพอได้มาแล้วก็เต็มอิ่มมีความสุขเดี๋ยวสักพักพ่องไปละความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาแล้วเนี่ยเนี่ยความรอยรั่วของใจก็คือความอยากสามอย่าง อยากในการมาคุณห้าคือรูปเสียงกลิ่นรสผลทพะอยากมีอยากเป็นอยากไม่มีอยากไม่เป็นเนี่ยพอได้มาปั๊บก็เหมือนเติมมันเต็มตุ่มพอได้ไปเที่ยวมานี่อิ่มใจสุกใจเต็มตุ่มเดี๋ยวสักพักหนึ่งหายไปละรัว่วลอยรั่วความอยากใหม่โผล่ขึ้นมาต้องไปอุด้อยรั่วสิอุดรอยไอ้สามตัวนี้ อุดกามาตัะหาอุดภาวะตันหาอุดวิภาวะตันหาลับลับลองแล้เติมขนเดียวเต็มเลยในเวลาเรามานั่งสมาธิเหมือนกับเรากําลังอุดต่อยรั่วของใจอุดกามตัะหาภาวะตันหาวิภาวะตันหาพออุดปั๊บใจสงบปั๊บอิ่มเลยสุขเลยแต่มันอดมันมันหยุดได้ชั่วคราวเพราะเราใช้สติสติเหมือนกับว่าเราเอาเอาอ แป้งหรืออะไรไปอุดรูไว้ตอนต้นแป้งมันยังแข็งอยู่มันก็อุดได้อยู่แต่พอมันโดนน้ำนานเข้าเดี๋ยวมันก็มันละลายมันก็หลุดออกมานี่นี่ลักษณะของสติเราต้องใช้ปัญญาต้องเอาเหล็กเข้าไปอุดเลยแล้วก็เชื่อมันเลยเอาออกเลยนี่เรียกว่าปัญญาปัญญาก็คือเห็นโทษของความอยาก ว่าอยากไปแล้วจะไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอถ้าอยากจะอิ่มจะอยากจะพอก็ต้องหยุดความอยากทั้งนั้นอันนี้เรียกว่าปัญญาคําถามจากคุณสิริภาวนาพุทโธค่ะสงบบ้างไม่สงบบ้างและบางทีขณะทํางานล้นไปจะมีช่องว่างของความคิดเกิดขึ้นเป็นช่วงๆแต่ไม่ได้เป็นบ่อยเหมือนกับว่าช่วงนั้นไม่มีความคิดอะไรจิตใจไปไหนก็ไม่รู้ จะทำอย่างไรต่อคะ่ะจะแก้ไขยังไงคะใช้พุโทโธนึ่งกลับมาสิถ้าไม่มีพุโทโธก็ใช้พุโทโธพุโทโธกลับมาปลุกสติกลับมาคำ ถ, ถามจากคุณอิทธิพันธ์ผมรู้จักนักปฏิบัติรักษาสิล5ห้าแล้วเทศการกินสุรากับพี่น้องแล้วกลับมารักษาสิ่งใหม่ต่อเนื่องได้ไหมครับก็จะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแต่ผลมันก็แล้วแต่ที่เราทา ถ้าเราทําบาปมันก็ได้บาปเป็นผลถ้าเราละการกระทํำบาปเราก็ไม่มีผลของการทําบาปตามมาคําถามจากคุณเด็กน้อยขอทราบวิธีเจริมมัชที่ถูกต้องในขั้นโสดาปฏิมัชต่อจากเมื่อวานค่ะ อ, อ๋อแหมจะเขั้นนั้นนเ่ยเลย <laughs> <laughs> ขั้นสติได้หรือยังขั้นศีลแปดได้หรือยัง รักษาศีลแต่ได้แล้วใช่ไหมไปอยู่คนเดียวได้ไหมไม่ดูหนังฟังเพลงไม่กินขนมนมเนยไม่ดูละครไม่ดูอะไรเดินจงกรมนั่งสมาธิจเจริญสตินั่งสมาธิแล้วจิตรวมเป็นอัปปนาหรือยังถ้ายังก็อย่าอย่าพึ่งไปทางโสดาปัติมรครเลยไปก็ยังไปไม่ได้ไปก็ตัดไม่ได้โสดาปิติมรึกก็คือให้ละสังโยชน์สาม สักะยะทิฏฐิคือความหลงที่ไปเห็นว่าร่างกายกับความรู้สึกในร่างกายนี้เป็นตัวเราของเราคือเวทนากับร่างกายยังยึดยังติดอยู่ยังคิดว่าเป็นตัวเราของเราเลยไม่อยากให้มันตายไม่อยากให้มันเจ็บพอมันมันจะตายมันจะเจ็บมันก็เลยทุกข์เพราะความอยากก็ต้องพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันจะต้องตาย มันไม่ใช่เป็นของเราเป็นของยืมเข้ามายืมมาจากดินน้ำลมไฟแล้วเดี๋ยวเวลาตายดินน้ำลมไฟก็เข้ามาขอคืนไปความเจ็บก็ห้ามมันไม่ได้มันก็ต้องเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเจ็บบ้างไม่เจ็บบ้างถ้าอยากให้มันไม่เจ็บก็จะทุกข์เวลาเจ็บถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องปล่อยวางความเจ็บปล่อยวางร่างกายว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราพอปล่อยวางได้เราก็หายทุกข์ พอเราจะเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากของเราเองอยากให้ร่างกายไม่ตายอยากให้ร่างกายไม่เจ็บก็เลยทุกเวลามันตายมันเจ็บแต่พอเรายอมให้มันตายยอมให้มันเจ็บเราก็จะหายทุกข์นั้น เ, เราจะเห็นเราจะเราจะหมดทุกข์ตอนนี้ได้ก็ต้องต้องยอมให้ร่างกายตายเช่นเมื่อกี้ตะขาบมาก็อย่าไปลุกปล่อยให้มันกัดถ้ามันอยากจะกัดตายาให้มันกัดตายไป ร่างกายไม่ใช่ตัวเราเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเพียงแต่ใช้ร่างกายเป็นลูกน้องรับใช้เราถ้าเรามองเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราเราคือใจเราคือเจ้านายของร่างกายผู้สั่งให้ร่างกายทำอะไรต่างๆเราได้ร่างกายนี้มาจากพ่อจากแม่แต่ตัวเราไม่ได้เป็นร่างกายเราสักวันหนึ่งร่างกายนี้ก็ต้องตายจากเราไป แล้วถ้าเรายอมตายถ้ามีเหตุการณ์ที่ท้าทายต่อความตายแล้วยอมให้มันตายไปเราก็จะไม่ทุกข์กับความตายต่อไปเราก็จะบรรลุเป็นโสดาบันได้ส่วนสังโยชน์สองข้อนี้มันมาเป็นพวงเดียวกันถ้าปล่อยสักกายทิฏฐิได้มันก็จะมันก็จะหายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพราะมันจะเห็นอริยสัจ ส, สี่ว่าทุกเกิดจากความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตาย พอมีมรรคเห็นว่าร่างกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายก็ปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายก็เห็นอริยสัจสีทุกขโมกยนิโรธนะพอปล่อยใจก็ใจก็ใจก็หายทุกนิโรธก็เกิดขึ้นมาก็จะเห็นเห็นธรรมเนี่ยที่เห็นธรรมเห็นอริยสัจสีก็จะไม่สงสัยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นจะเห็นพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้าเป็นคนแสดงธรรมอันนี้ใช่ไหม เหมือนเหมือนใครเขียนหนังสือไว้เขียนนิยายไว้ใครอ่านนิยายก็ต้องรู้ว่าคนเขียนนิยายนี้เป็นใครนพระพุทธเจ้าสอนธรรมเมื่อเราเห็นธรรมเราก็จะไปสงสัยในคนที่สอนธรรมนี้ได้ไงล้วก็ไม่สงสัยว่าพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่สงสัยพระอริยสสงสวาวรผู้ที่ปฏิบัติมีปฏิบัติชอบก็คือผู้ที่เห็นธรรมนี่แหละก็คือใครก็คือเราเนี่แหละเราเนี่ยเป็นอริยสงสวาวกขึ้นมาทันทีเย เราก็เลยไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่แล้วเราก็เห็นว่าการกระทําพิธีสะเดาะเคราะห์กรรมต่างๆนี่ไม่ใช่เป็นวิธีดับความทุกข์ที่เราทําสะเดาะเคราะห์กันก็เพราะเรากลัวความตายกันกลัวความเจ็บกันในเวลาไม่สบายทีนี้ไปทำสะเดาะเคราะห์กรรมใหญ่ทําบุญงันใหญ่หรือเวลาเกิดเกิดจะตายขึ้นมาลอดลอดตายกลับมานี่โอ้ก็รีบไปทําบุญสะเดาะเคราะห์กันใหญ่ ทำไปเท่าไหร่มันก็มันก็ไม่ดับความทุกข์ที่เกิดจากความกลัวความตายความตัวกลัวความเจ็บได้แต่ถ้ายอมตายยอมเจ็บปั๊บมันก็หายทุกข์มันก็รู้ว่าต่อไปนี้ไม่น่าไปเสด็จเคาะเสียเวลาแล้วเพราะไม่มีไม่มีอะไรจะมาเสดาะความความแก่ความเจ็บความตายได้แล้วเมื่อเราได้ยอมรับความแก่ความเจ็บความตายแล้วก็ไม่เห็นจะต้องไปทําพิธีกรรมอะไรคนที่ไปทําพิธีกรรมว่าพวกกลัวกลัวเจ็บกลัวตายทั้งนั้นอะ พอเจ็บหน่อยพอจะตายหน่อยก็หหยหวนไหวกันเจ้าละหวันก็เลยไปทำพิธีกรรมต่างๆไหว้ไหเราหุ่นไปลอดใต้ทุนโบสน์ไปทำอะไรร้อยแปดร้อยกระทงเลยขอให้แม่เจ้าแม่ธรณีมาช่วยเลย อ, นนอันนี้ก็เป็นเรื่องศีลพัตปตปรามา ท, ทั้งนั้นเป็นการการะทำที่ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ใจได้ คนที่บรรลุทรงมคนที่เห็นว่าทุกเกิดจากความอยากของเรานี้ก็มาแก้ที่ตรงนี้ต่อไปนี้ต่อไปถ้ามีความทุกข์ปั๊บก็จะมาก็มาจะหยุดความอยากนี่พราะโสดาบันเห็นว่าทุกเพราะความกลัวความแก่กลัวความเจ็บกลัวความตายไม่อยากแก่ไม่อยากเจ็บไม่อยากตายพอยอมแก่ยอมเจ็บยอมตายก็หายทุกข์ก็บรรลุเป็นโสดาได้โสดาปฏิผล ได้เป็นพระสดาบันก็ไม่ต้องไปเกิดในอบายต่อไปเพราะสาดาบันนิยมตายจะรักษาสินยิ่งกว่าชีวิตเพราะรู้ว่าถ้าทำบาปแล้วต้องไปเกิดในอบายแต่ถ้าไม่ถ้าไม่ทำบาปก็ไม่ไปเกิดในอบายแล้วยังไงก็ต้องเจ็บยังไงก็ต้องตายอยู่ดีเรื่องอะไรต้องไปทำบาปเพื่อไม่ให้มันเจ็บเพื่อไม่ให้มันตายแล้วต้องไปใช้กรรมต่อไป อสดามันก็เลยจะไม่มีวันที่จะ อ, อรักษาชีวิตของตนเองด้วยการกระทําบาปเช่นไม่มีข้าวกินไม่มีอาหารกินก็จะไม่ไปยิงนกตกปลาหรือไปขโมยอาหารของคนอื่นมากินก็จะไปเป็นขอทานแทนหรือไปหางานอะไรที่ทําแล้วก็พอมีอะไรมาเลี้ยงชีพได้ก็เลี้ยงไปเก็บขยะก็ได้ไปเป็นคนรับใช้ก็ได้แต่จะ แตะไม่ยอมทำบาปเช่นไปค้ายาเสพติดไปไปค้าทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรือผิดศีลธรรมอันนี้ก็เป็นเรื่องของโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลพอพระโสดาบันยังมีปัญหาอื่นที่ยังไม่ได้แก้ก็คือความอยากในการมีเพศสัมพันธ์เพราะยังไม่ได้ไปแก้ปัญหาตัวนี้ ปัญหาตัวนี้ต้องแก้ด้วยการพิจารณาสุภะต้องดูร่างกายของคนที่เราอยากจะมีเพศสัมพันธ์ว่ามันไม่น่าดูดูยังไงถึงไม่น่าดูก็ดูก้นเขาบ้างอย่าไปดูหน้าตา <c oughs> <c oughs> หรือดูเข้าไปข้างในในในร่างกายใต้ผิวหนังดูว่ามีอวัยวะอะไรมัง่งใต้ผิวหน้าใต้ผิวหน้านี่มีอะไรมีกะโหลกศีรษะใช่ไหม มีโครงกระดูกใช่ไหมมีปอดมีตับเนี่ยมีหัวใจมีลำไส้ไหมตาเห็นอย่างนี้แล้วยังน่ารักหรอเปล่ายังอยากจะร่วมเพศสัมพันธ์ด้วยหรอเปล่า้านร่างกายถ้าผิวหนังของร่างกายเรามันใสเมือนทุกพสิทุกพสติกนี่คิดว่าคนเราคงจะไม่มีการอยากจะมีเพศสัมพันธ์ต่อกันละกันนะใช่ไหมต่เห็นลำไส้อยู่ตลอดเลยนะเห็น <laughs> <laughs> บอดเนี่ยนอดอันใหญ่หญกระเพาะตับเนี่ยไตย เ, ยเห็นอาการเหล่านี้แล้วมันก็จะทำให้หยุดความอยากจะมีเพศสัมพันธ์ได้พระสกิดาคามีก็จะทำได้ครึ่งหนึ่งเวลาที่พิจารกก็เห็นว่าไม่สวยเวลาเผลอไม่ได้พิจาราก็ยังเห็นว่าสวยอยู่ แต่ดีกว่าพระโสดาบันพระโสดาบันนี่เห็นว่าสวยตลอดเวลาเห็นใครก็ว่าสวยว่าหล่อตลอดเวลาแต่พอมามาเจริญอสุภาษอ์เจริญไปได้ครึ่งหนึ่ง mm. ก็เรียกว่าทําให้ความอยากเสพเพศสัมพันธ์นี้มีน้อยลงเบาบางลงก็ได้บรรลุ ข, ขั้นที่สองขัง้นพระสกิดาขามีถ้าจะพิจารณาได้อย่างตลอดเวลาไม่หลงไม่ลืมเห็นร่างกาย ของคนที่เราว่าสวยว่างามว่าหล่อเราว่ามีตับไตมีไส้พุงมีปอดมีหัวใจมีก ร, กระดูกเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่มีความอยากจะมีเพศสัมพันธ์ไปตลอดเวลาก็จะเป็นธาตนาคามีขึ้นมาขั้นที่สามพอพอเป็นชาอนาคามมแล้วปัญหาเรื่องร่างกายกาลนดปัญหาไปแล้ว ไม่มีความผูกพันอยู่กับร่างกายของตนเองก็ดีของคนอื่นก็ดีพระโสดาบันตัดความผูกพันในร่างกายของตนได้พระสกิดาคามีพระอนาคามีตัดความผูกพันกับร่างกายของคนอื่นได้ผัวตายไปก็ไม่ร้องห่มร้องไห้ไม่เศร้าโศกเสียใจเพราะผีตายไปยังเสียใจทำไมตายไปก็เป็นผีอยู่ดีใช่ไหม ร่างกายเวลาตายไปเป็นอะไรเป็นซากศพเป็นผีไปอยู่กับผีแท้ามองไม่เห็นว่าเป็นผีมองเห็นว่าเป็นคนเข้าใจไหมพาอไม่เคยพิจารณาว่าเป็นผีเห็นทีไรก็เห็นว่าเป็นคนเห็นว่าเป็นดาราเห็นว่าเป็นสวยเห็นว่าหล่อเราเยมันก็เลยหลงไม่มีปัญญาแต่ถ้าพิจารณาสุภาษยๆต่อไปก็จะเห็นว่าอยู่กับผีดีๆนี่นะ นั้นเรื่องพอถึงขั้นนาคามีแล้วเรื่องร่างกายนี้ไม่มีละจะไม่มามีเมดเมาจะไม่มาเกิดมีร่างกายต่อไปล้วแต่เมายังไปไม่ถึงนิพพานก็ไม่กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ละแต่ยังไปติดอยู่บนสวรรค์ชั้นพรมอยู่เพราะยังไปติดกับความสุขในระดับสวรรค์ชั้นพรมที่มีอยู่ในจิตคือความสุขที่ได้จากรูปปัจจานความสุขที่ได้จากอรูปปัจจานความสุขที่ได้จากการถือนื้อถือตัวว่าถือว่าตนเก่งตนดีตนฉลาดเนี ยังหลงไหลกับตัวตนอยู่แล้วก็ยังไปติดกับยังไม่รู้ว่าสภาพที่สุขที่แท้จริงนี้คืออะไรอวิชชาจะรู้ก็ต้องใช้ปัญญาพิจารณาว่าออไอ้รูปฌานนี้ก็ไม่เที่ยงยังเป็นตายรักอยู่รูปฌานก็ไม่เที่ยง เ, เวลานั่งสมาธิก็ได้เวลาออกจากสมาธิก็ไม่ได้ไปติดมันเวลามันเสื่อมก็ทุกข์ ก็อยากจะให้มันสุขไปตลอดอัตตาตัวตนก็เหมือนกันเวลาที่ว่าตัวเองใหญ่ตัวเองเก่งเดี๋ยวพอเจอคนที่เขาเก่งกว่าเราใหญ่กว่าเราก็ทุกข์ละไม่มีความสุข่ะก็เลิก น, นี่เป็นเพียงแต่ความคิดขึ้นมาเองคิดว่าเราเป็น น, นเป็นนั่งเป็นนี่ความจริงเราเป็นแค่ตัวรู้ตัวคิดเท่านั้นเองแต่ไปหลงไปไปหลงไป ไ ป, ไปหลงไปกับความคิดของตนเองว่าคิดตนเป็นหมอมัง่ง เ, เป็นดาราภาพยนตร์เป็นนู่นเป็นนี่พอเวลาไม่ได้เป็นขึ้นมาก็ทุกข์เลยไม่รู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่ไหนแต่รู้ว่าก็ยังยังติดอยู่สิ่งเหล่านี้ก็ตัดมันไปตัดมันไปพอตัดมันไปแล้วต่อไปก็จะรู้ว่าการไม่มีอะไรนะดีที่สุดการพอมีอะไรนะ ม, ะมันจะต้องเสื่อมทั้งนั้น แม้จะเป็นอารมณ์ต่างๆที่มีในใจมันก็เสื่อมความคิดต่างๆมันก็เสื่อมเกิดแล้วก็ดับเกิดแล้วก็ดับไปก็เลยไม่ไปติดกับอะไรเลยพอไม่ติดกับอะไรไม่ยึดติดกับอะไรมันก็ไม่ทุกข์กับอะไรต่อไปทีนี้มันก็ไปถึงนี่ผ่านได้เพราะมันสวรรค์ชั้นผงมันก็มันก็ไม่ติดมันปล่อยสวรรค์ชั้นผมได้้ีอนก็สมาธิไง เวลาอัปปนาสมาธินี้ก็รูปปัจานแล้วไงเวลาเข้าไปมันก็สงบเวลาออกมามันก็หายใช่ไหมถ้าเราไปติดกับรูปปัจจานติดกับปัณณาสมาธิเวลาไม่ได้อยู่ในปัณนาสมาธิมันก็ทุกข์เหมือนติดกาแฟอย่างเงี้ยเวลาได้ดื่มกาแฟก็สุขใช่ไหมเวลาไม่ได้ดื่มกาแฟมันก็ทุกข์ใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกั น, นเพื่อ เขาทํางานแล้วก็เหมือนกับมีคนหาลูกค้ามาให้เขาอย่างนี้ค่ะแต่เขาไม่ได้ว่าจ้างให้หามาให้นะคะแล้วก็ไม่ได้บอกที่ว่าให้หาอย่างไงแต่คนที่หามาเนี่ยเหมือนเขาอาจจะโกหกเพื่อว่าจะได้ดึงเข้ามาหาแต่แล้วเขาก็เลยไม่สบายใจว่าถึงแม้ว่าเขาจะทําหน้าที่อย่างซื่อสัตย์เนี่ยเขามีส่วนเกี่ยวข้องในการทาบาปหรือเปล่าอ๋อไม่เกี่ยวถ้าเราไม่มีเราไม่ได้ไปสั่งเขาไม่บอกเขา แต่ถ้าเราเรารู้เราก็ควรที่จะห้ามเขาควรที่จะปรามเขาโดยควรจะหามาตรการออให้เขายุติให้ได้จะดีกว่าเพราะว่าถึงแม้ว่าเราไม่ได้เป็นผู้หลอกลวงเราก็อาจจะได้รับประโยชน์จากการหลอกลวงของเขาก็ได้แต่ถ้าเราไม่มีอะไรหลอกลวงเขาแล้วเขามาหาเราแล้วเราทาตรงไปตรงมาแล้วเขาได้สิ่งที่เขาอยากได้กลับไปก็ไม่น่าจะมีเป็นปัญหาอะไร เช่นเราเป็นหมอเก่งแล้วคนอื่นเขาไปบอกว่ามาหาหมอคนนี้เสถียดีอย่างนั้นดีอย่างนี้ถึงแม้ว่าจะพูดแบบอพูดแบบเกินเหตุเกินผลไปบ้างเป็นก็เรื่องของเขาแต่ถ้าเข้ามาติดต่อกับเราแล้วเราก็ทําไปตามหน้าที่ทําไปแบบตรงไปตรงมาไม่มีการหลอกลวงกันก็ไม่มีก็ไม่มีปัญหาอะไรถ้าเราไม่ไม่อยู่ในฐานะที่จะสามารถห้ามเขาได้เพราะว่าก็ต้องปล่อยเขาต้องปล่อย ไ ม, ไม่ไม่ไม่ได้เกี่ยวกับเราอกุศลอยู่ที่คนทำํำเข้าถามจากคุณดาพระอาจารย์เจ้าคะดิฉันเคยหยิบของในร้านค้าแต่ไม่ได้ให้เงินผ่านมาหลายปีแล้วคะ่ะแต่ตอนนี้ละอายต่อบาปก็นําเงินไปให้เขาแล้วบาปจะติดตามตัวไหมคะถ้าไปคืนเขาคงจะไม่มีแล้วมั้งก็เป็นการอลบล้างกันไป กือก็ไม่ไปแจ้งความคำถามจากคุณปัมทมาพรแก้ใจที่มีความกลัวที่คอยจะตกใจด้วยวิธีไหนดีเจ้าคะก็ตอนฝึกสติไปก่อนใจเรามันเบามากไม่มีไม่มีความหนักแน่นก็ใช้สติทำให้มันหนักแน่นไปก่อนอพุโทโธพุโทโธไปฝึกพุโทโธไปเรื่อยๆแล้วใจจะมีความหนักแน่นขึ้นแล้วต่อไปมันจะไม่ตื่นเต้นตกใจได้ง่าย ห็นนนะขาากกกมม่่ยังงจจอออูพิรคำถามจากคุณอิทธิพันธ์ผมรู้จักคนหนึ่งเข้ารักษาศีลมาตลอดเขาทำผิดศีลข้อสามมีโอกาสพันทุกพันกรรมกับที่เขาทำไหมครับเพราะเขารู้ว่าทำผิดแต่ตอนนี้ปฏิบัติฟังเทศดูลงเข้าออกอยู่ครับก็ยังมีโอกาสอยู่คือถ้าเรา เปลนนิสัยเราแต่มันวิบากที่มันทำไว้มันอาจจะเกิดขึ้นต่อไปเราไปประพฤติผิดประเวณีต่อไปแฟนเราอาจจะไปประพฤติผิดประเวณีก็ได้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นการใช้กรรมของเราไปคำถามจากคุณปองคนกล่าวว่าสวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจกับนรกสวรรค์ที่จะได้ไปจากบุญกรรมที่กระทา ในวัฏฏสงสารในภพชาติเหมือนหรือต่างกันอย่างไรเจ้าคะอันเดียวกันนี่แหละใจของเรานี่แหละที่เป็นสวรรค์เป็นนรกเวลาที่เราโกรธนี่มันร้อนไหมมันทุกข์ไหมนั่นแหละมันตอนนั้นใจก็เป็นนรกแหละเวลาเราทําบุญแล้วใจเราอิ่มไหมใจเราสุขไหอตอนนั้นก็เป็นสวรรค์ล่ะแต่ว่ามันเป็นสวรรค์ชั่วคราวเป็นนรกชั่วคราวเพราเรายังสามารถมันเปลี่ยนมันได้ที่การกระทําของเรา พอวันนี้เราทําบาปพวกนี้เราทําบุญจากนรกก็กลายเป็นสวรรค์มาครับ ข, ขึ้นขึ้นลงลงไปแต่มันจะสะสมไว้ในใจเราเพราะส่วนที่เป็นนรกมันก็จะสะสมไว้ส่วนที่เป็นสวรรค์มันก็ยังจะสะสมไว้อยู่ <ใช S 2> แล้วเวลาเราตายนี่ส่วนที่เป็นนรกกับสวรรค์มันจะมาแย่งใจเราไปถ้าส่วนที่นรกมันมีมันมีมากกว่ามันก็จะไปนรกก่อนส่วนที่มีสวรรค์มากกว่ามันก็จะไปสวรรค์ก่อน มันจะเป็นสวรรค์ไกลอยล <c oughs> มันไม่จะเป็นสถานที่อนะโลกหรือนะสวรรค์ก็อยู่ในใจเรานี่แหละแต่ว่าตอนที่เวลาไม่มีร่างกายเราก็เลยไม่ได้ไปทำทาสวรรค์เพิ่มทำานรลกเพิ่มตอนนั้นนโลกกับสวรรค์มันก็จะมาแสดงอาการของมันให้ให้ใจรับไปจนกว่านโลกกับสวรรค์มันมันมีกำลังเท่าๆกันจะทุกข์ก็ไม่ทุกข์จะสุขก็ไม่สุขมันก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไ คุณเจียพัสหากเราไปอยู่ในวัดหรือสํานักที่ครูบาอาจารย์ที่เป็นพราะอารหันต์และปฏิบัติตามที่ครูบาอาจารย์ท่านอบรมสั่งสอนอย่างเข้ครัด <c oughs> เราจะมีโอกาสบรรลุทำเป็นพระอาริยะบนพระอาริยะบุคคลขั้นใดขั้นหนึ่งในชาตินี้ได้หรือไม่ครับก็แล้วแต่คนที่เปศึกษาเนี่ยเพราะคนที่เป็นศึกษาพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้บรรลุกันทุกคนมีาาพาหณ์ถามพระพุทธเจ้าว่าท่านเป็นผู้สอนให้คนเป็นพระอารหันต์กัน แล้วทำไมลูกศิษย์ของท่านบางคนเป็นบางคนก็ไม่เป็นพระเจ้าบอกทันก็ไม่รู้เหมือนกันฉันเป็นคนบอกเขาเท่า น, นั้นสอนเขาเท่า น, นั้นส่วนเขาจะเป็นไม่เป็นก็อยู่ที่ตัวเขาเขาจะปฏิบัติได้หรือไม่ได้มันก็มีหลายสาเหตุปฏิบัติยากบางคนมีกิเลสมากหรือขี้เกียจมากปฏิบัติน้อยอะไรทํานองนี้ปัญญาทึบอะไรอย่างนี้บางทีก็เหมือนเด็กในที่เรียนหนังสือชั้นเดียวกันทำไมสอบคะแนนไม่เท่ากันน่ะ ใชบางคนก็สี่จุดบางคนก็สามจุดบางคนก็สองจุดบางคนก็หนึ่งจุดมันก็อย่างนั้นแหละัมันไม่ ไ, มม ไ, มได้หมายความว่าไปอยู่กับผ้าอาหารแล้วจะเป็นผ้าอาหันตามท่านเสมอไปในฉันนะนี่อยู่กับพระเจ้ามาจนถึงว่าเจ้าตายไปมันก็ยังไม่ได้เป็นอะไรเลยเพราะมันไม่ได้ศึกษาไม่ได้ปฏิบัติไม่สนใจ คำถามจากคุณจำใจกรณีที่ใช้เงินกองสีของพี่น้องไปทําบุญตักบาทโดยที่หรือน้องสําหรับการเป็นผู้ไปทําบุญตักบาทถ้าจัดอุทิศบุญผู้ที่เป็นคนไปตักบาทเป็นผู้อุทิศบุญคนเดียวแทนทุกคนได้ไหมคะหรือจะต้องให้ทุกคนที่มีส่วนในเงินกองสีเป็นผู้อุทิศบุญด้วยคะก็ได้คนดใดคนหนึ่งก็ได้คํถาถามจากคุณนารา วิตกวิจารคืออะไรครับวิตตกแปลว่าตึกเนี่ยวิจารแปลว่าตรองเวลาเราพุทโธนี่เรากำลังตึกกําลังตรองแล้วพุทโธเราตึกก็แสดงว่าเราเราเราาเรรู้กําลังรู้ตัวว่าเรากําลังพุทโธอยู่เราตรองแล้วเราก็เราก็พุทโธไปแล้วก็ตึกตรองไปหรือดูลมหายใจเข้าออกก็ดูลมการ การที่เราดูลมก็ แ, แสดงว่าเรากำลังเปลือกอยู่แล้วเรารู้ว่าลมเข้าลมออกก็เรียกว่ากำลังตรองตึกตรองก็เรียกว่าวิตกวิจาร์เวลาเราเริ่มนั่งสมาธิเราก็จะเริ่มเข้าฌานที่หนึ่งเลยมีมีวิตกมีวิจารแต่ยังแต่ยังไม่ครบองค์ต้องมีปิติมีสุขมีอะไรเกิดขึ้นตามถึงจะครบองค์ของฌานฌานที่หนึ่งข้อที่สอง เวลานั่งสมาธิเห็นอะไรแปลกๆมีประโยชน์หรือผลเสียครับอ๋อไม่มีประโยชน์ส่วนใหญ่การนั่งสมาธินี่เราไม่ต้องการจะเห็นอะไรนอกจากเห็นสิ่งที่เป็นวิปัสสนาภาพของวิปัสสนาเช่นเห็นความตายเห็นร่างกายเราตายเห็นอะไรอย่างนี้ยถึงจะเป็นประโยชน์แต่ถ้าเห็นนางฟ้าเห็นเทวดาสวยๆงามๆเห็นเห็นเมืองวิจิตพิสดารอะไรของพวกนี้เห็นแล้วก็จะทาให้อ่ หลงหลายข้างใครได้และจะทำให้ไม่ไปสู่ความสงบคบ ถ, ถามจากคุณความคิดขอคำชี้แนะจากคราอาจารย์ด้วยครับว่าควรจะทำอย่างไรผมมีอาชีพเป็นทหารเวลาประชุมพิไรเจ้านายก็ว่าผมบัญชาลูกน้องไม่ได้อย่างนั้นอย่างนี้แต่ผมเป็นคนไม่อยากจะเปลี่ยนนิสัยใครพอดีลูกน้องผมเป็นคนไม่ฟังความใคร แต่เจ้านายก็ว่าผมทำทั้งที่ผมไม่ได้ทาอะไรผิดเลยครับก็ปล่อยเขาว่าไปเถอแล้วดูที่ความจริงก็แล้วกันถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดแต่เราเป็นคนที่จะต้องมารับคำด่า ก, ก็รับไปเพราะเราเป็นคนที่เชื่อมกับลูกน้องอีกทีหนึง่งลูกน้องเขาไม่ได้มามันก็ถือว่าเป็นกรรมของเราที่เรามาตกในที่นั่งอันนี้ถ้าไม่อยากอยู่ตรงนี้ก็ลาออกไปย้ายงานใหม่เปลี่ยนงานใหม่ ถ้ายัางไม่ยอมย้ายงานก็ต้องรับรับไปรับทั้งดีทั้งชั่วเงินเดือนก็รับไม่ใช่เลยเ <c oughs> วลารับเงินเดือนไม่เห็นบ่นเลยเวลารับคำดา่าเจ้านายมาบน่นทําไม <c oughs> <c oughs> ก็รับไปถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงานของเราก็แล้วกันใช่ไหมพอแล้วเลย <c oughs> ดีแล้วหมดแล้วนะมีไหมมีเดี๋เยอะเลยไว้วันพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะอดีวันนี้ก็หมดเวลา